بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความศรัทธาความเมตตาและความจำเนินจะอ่อนล้จงประสบแด่ทุกท่านนะครับทำดู l ล้ววันนี้ได้กลับมาพบอีกครั้งนึงนะครับในการไรขวดอันกุราห์สุรยูสุฟอะลัยฮิสสลามนะครับเนะะื้อหาในสุร้อนนี้เนี่ยมีความ สมบูรณ์ในตัวหมายถึงว่าเพราะเป็นตัวอย่างของนบีท่านหนึ่งซึ่งอัลลอสุบฮานะฮัวตาลาเล่าให้กับพวกเราฟังในอันกุรอานนันคือท่านนาบียูซุฟอะลฮิสลนั่นเองนะครับแล้วเป็นเรื่องราวที่มีหลากหลายมุมที่เราสามารถจะได้รับบทเรียนได้มุมของครอบครัวมุมของการสนทนาการต่อรอง มุมของด้านการเงินการปกครองด้านเศรษฐกิจนะฮะแต่ในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยในมุมของวัยรุ่นช่วงวัยที่มีความสำคัญมากและเป็นวัยที่มีความสุ่มเสี่ยงกับหลายสิ่งหลายอย่างแต่ในวันนี้ที่เราจะพูดถึงเนี่ยโฟกัสโดยตรงเลยก็คือช่วงชีวิตของนาบียูซุฟอะลัยฮิสสลามช่วงที่ท่านเป็นวัยรุ่นและช่วงที่ หรือสิ่งที่วัยรุ่นพบกับบททดสอบเรื่องนี้เป็นจํานวนมากเนี่ยและหลายคนไม่ผ่านก็คือบททดสอบเรื่องของผู้หญิงนายบิวซูฟัลยิสสลามจะเป็นตัวอย่างของคนที่ผ่านบททดสอบในเรื่องนี้แล้วท่านได้เป็นแบบอย่างที่ดีในการที่จะให้คนอื่นได้เรียนแบบในหลายแง่มุมด้วยกันนะครับชอว์ลอ้อผมจะนําเสนอในตอนก่อนเล็กน้อยนะครับว่าตัวท่านนายบซูฟัลยิสต์อสลามเนี่ย ที่มาที่ไปของเรื่องราวเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ทักทายพี่น้องทางเพจบ้านมุสลิมเลยนะครับตอนนี้ผมมาบรรยายที่สวนพลูนะครับก็พี่น้องที่ได้ติดตามก็พูดคุยมาได้แต่ว่าหลักที่ผมจะคุยกับพี่น้องทางนี้นะครับชอลลอ็อตละประเด็นหนึ่งที่ในบิวซุฟฟาร์อิสลามเนี่ยได้รับบททดสอบก็คือการออกจากบ้านเดินทางออกจากบ้านของท่านเนี่ย ผ่านบรรดาพี่ๆได้บอกกับคุณพ่อบอกว่าให้ยูซุปไปเที่ยวกับเราหน่อยใช่ฮะเราจะให้เขาได้เล่นเพราะว่าพี่ๆเนี่ยอิจฉาเนื่องจากเห็นว่าคุณพ่อเนี่ยรักดาร์บิลซุปอะลิสลามเนี่ยมากกว่าก็เลยขอต่อรองพ่อเนี่ยก็ไม่ให้ในช่วงแรกแต่สุดท้ายเนี่ยก็ยอมที่จะให้ไปและพี่ๆก็วางแผนกันตอนแรกว่าจะสังหารเลยแต่สุดท้ายจับดาร์บิลซุปเนี่ยลงในบ่อ แล้วก็กลับไปและแก้งทําเป็นแสดงละครว่าด๊าบีซุปถูกหมาป่ากินไปอะไรต่างๆมากมายแล้วก็เอาเลือดปลอมมาเอาเสื้อปลอมมาแล้ว เ, เ, เ, เอาเอาเสื้อของดบีซุปแต่เสื้อจริงมาแต่ว่าทําเป็นแสดงละครว่าดาบีซุปถูกหมาป่ากินไปแล้วแต่คุณพ่อเนี่ยรู้เสื้อไม่ขาดและเป็นเลือดแกะนะครับก็เลยบอกว่าบัลเซวาและสระกุมอัมฟุสกุมอัมรอนเป็นสิ่งที่พวกเจ้าได้ปั้นแต่งขึ้นมาไม่ได้เป็นความจริงแต่อย่างใด แล้วก็ใช้การอดทนฟซอบรุนจจมีลอดทนอย่างดีจุดนี้จะสำคัญได้เป็นแบบอย่างในด้านด้านครอบครัวถูกบททดสอบอะไรบางอย่างเกี่ยวกับลูกแล้วก็ท่านก็ได้อดทนอย่างดีนะฮะหลังจากนั้นนบิอุสุฟก็อยู่ในบ่อใช่ไหมฮะก็มีกองคาราวานเนี่ยผ่านมาแล้วก็นําตัวนบิอุสุฟเนี่ยขึ้นไปหลังจากที่เอาถัางน้ำเนี่ยจะมารับมาเอาน้ําตามปกติของกองคาราวานเมื่อนํายบิอุสุฟได้ ออกมาแล้วเนี่ยพวกเขาก็ดีใจกันใหญ่แล้วก็บอกว่านี่เป็นสินค้าชั้นดีนะฮะโดยนําเอานาบิวสุทแทนที่จะหาจับตัวส่งคืนพ่อแม่ผู้ปกครองของเขาแต่ว่าไม่ใช่กลับทําตรงกันข้ามคือจับตัวเนบิวซุฟอะลัยสลามเอาไปขายทอดตลาดจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ก็เป็นความผิดพลาดของพวกเขานะฮะโดยที่อัลลอฮฺซุบฮฺบานูน์นำมาเล่าในอา ย, ยะฮ์ที่20 ว, ะะว่าชาวเรูบีสะมันบักซินดารอฮิมะมาอุดาตินว่ากนูฟีฮิมีนซาฮิดีนพวกเขาก็เลยนําตัวน บ, บีซุบไปขายขายด้วยกับราคาเพียงไม่กี่ดิรธรรมคือราคาถูกมากราคาถูกมากเนื่องจากพวกเขาเนี่เคยเป็นคนที่สมถ t มาก่อนสมร t h แบบไม่ถูกต้องหมายถึงว่าคือไม่ไม่กล้าที่จะชัดราคาแบบสูงแพงซึ่งไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้เป็นที่ต้องห้ามตามหลักกาอิสลาม แต่กล้าที่จะเอาสินค้าเอาเอาคนเนี่ยเอามาขายเป็นทาสทั้งที่เขาเป็นไทยเป็นคนที่ไม่ได้เป็นทาสนั่นเองนะฮะอันนั้นก็คือวากานูฟีฮิมานัสยาฮิดิอ่ะแต่ก็เป็นบททดสอบที่อัลลอฮฺสุบฮานูร์แต่ให้เกิดขึ้นนี่ผมนําเสนอกับพี่น้องครั้งก่อนโน่นเนี่ยว่าความชั่วที่เกิดขึ้นมนุษย์ที่ทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่การที่อัลลอฮฺอนุญาตให้ความผิดต่างๆเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ดีที่อัลลอฮฺอนุญาตให้ความผิดเกิดขึ้นทําไมถึงเป็นสิ่งที่ดี เนื่จากมีเฮกม้าเนี่ยซ่อนอยู่แต่ที่มนุษย์ทําผิดเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีอัลลอฮฺอนุญาตให้ความผิดเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ดีเพราะมีเฮกม้าเนี่ซ่อนอยู่ดังนั้นเนี่ยเมื่อสิ่งใดต่างๆเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยเราไม่ติโพลทีไปเมื่อเรารู้ว่าอัลลอฮฺกำหนดนะฮะแต่ขณะเดียวกันเราเองก็ห้ามทําความผิดเราถูกสอบสวนในสิ่งที่เราผิดพลาดทําความผิดนั่นเองนะครับขายนาบิยฺอุฟไปเสร็จแล้วเนี่ยใครเป็นคนซื้อผู้ว่าการอียิปต์ ซื้อนบียูซุฟวกอละลลิชตรอฮุมิมมิสรอลิมรอาจิฮีอ่าแล้วก็ซื้อมาแล้วเนี่ยบอกกับภรรยาของตนเองที่ชื่อว่าซุไลคอบอกว่าอัคริมีมาตัวหาที่พักให้แก่เขาอย่างดีในบียูซุฟอะลัรรยสลามเนี่ยเวลาอาซีสเห็นรูปลักษณ์ของท่านแล้วเนี่ยเห็นว่าท่านเป็นคนฉลาดน่าจะเป็นคนที่มีตระกูลไม่น่าจะเป็นทาส เขาเรียกว่ามีฟิรอซาคือการมองคนออกว่าคนนี้เนี่ยจะมีอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนเวลาเกิดแบบนี้แล้วเนี่ยเขามองว่ายูซุฟเนี่ยหลังจากการพูดคุยเจรจาอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดและไม่เป็นคนธรรมดาก็เลยบอกกับภรรยาบอกว่าให้ที่พมนักเขาอย่างดีอักครีมิมาสวาแล้วก็บอกข้อมูลต่อไปว่าอา a a าอ y a f a n a au natta khidahu w a หวังว่าเขาจะให้ประโยชน์บางอย่างกับพวกเราออยมฟาณาเอานัตตะคตะหวลดาหรือเราจะเอาเขาเป็นลูกบุญธรรมไปเลยเห็นไหมฮะแสดงว่าเขามองอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเป็นศาสตร์นะฮะการมองคนพอที่จะรู้ว่าคนนี้เนี่ยมีแววก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันที่เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ที่จะมองว่าโอเด็กคนนี้เนี่ยคือเอาใจใส่เป็นพิเศษ โตมาเนี่ยเขาน่าจะให้ประโยชน์กับเราหรือกับสังคมโดยรวมเนี่ยได้เพราะการได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษเนี่ยจะให้กับคนคนหนึ่งเนี่ยจะทําให้เขาได้แสดงศักยภาพของเขาเนี่ยเต็มที่ไม่ใช่ระบบในการที่จะกีดกัน้นเยาวชนวัยรุ่นที่เขามีความสามารถเนี่ยไม่ให้เขาแสดงความสามารถออกมาดัางนั้นจุดนี้เนี่ยเป็นจุดสําคัญมากก็คือการมองคนเด็กคือมันก็มองออกอะ แต่คนนี้มีแววฉลาดนาบิซุปอลิสลามเนี่ยคือชัดเจนว่าท่านมีแววฉลาดนะฮะแล้วก็เป็นคนที่เฉลียวด้วยฉลาดทั้งเฉลียวมีบุคลิกของเขาเรียกว่าลูกนบีอันนี้แน่นอนนะฮะลูกของนบีลูกของคนดีคนซอแล้วแต่ประเด็นคือเนี่ยเขาบอกกับภรรยาบอกว่านี่ต้องอายะนี้น ะ, ะเก่ากับภรรยาของเขาว่าจงให้ที่พักเกตเขาอย่างนี้นะแต่อาีซเนี่ย ก็มีจุดดีแล้วก็มีจุ ด, จดบกพร่องบกพร่องนี่คืออะไรฮะบอกให้ภรรยาตัวเองเนี่ยอยู่ตามลําพังกับยูซุฟอะไรวิสต์ลมไม่ถึงว่าเขาอาจจะไม่ได้บอกให้อยู่ตามลําพังโดยตรงแต่ว่าปล่อยปละละเลยในเรื่องนี้อันนี้เนี่ยเป็นจุดสําคัญจุดแรกที่ผมอยากจะฝากเอาไว้ในวันนี้ก็คือหัวข้อเกี่ยวกับเยาวชนโดยตรงบทสอบของเยาวชนเรื่องการอยู่ตามลําพังระหว่างชายหนุ่มหญิงสาวจะเป็นระดับไหนก็ตาม โดยเฉพาะวัยรุ่นเยาวชนท่านนบี ส, ลสุลต่านได้บอกว่าไม่มีชายใดกับหญิงใดอยู่ด้วยกั น, นสองต่อสองนอกจากชัยตอนจะเป็นบุคคลที่สเข้ามายุแย่ทําให้ทําความผิดเกิดขึ้นแล้วตามธรรมาชาติของคนในใจเนี่ยมีความรู้สึกแล้เราจะศึกษารเรื่องน้าบีอูซุบนบีอซุปก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกันเป็นธรรมาชาตินี่รับนบีอัลลอฮ์ก็สร้างมาให้มนุษย์ทุกคนเนี่ยซุยนลินนาสีฮุบบุชฮาวะตีมินันนีซะทุกคนมีชฮาวะ ความรู้สึกต่อเพศตรงข้ามอันนี้เป็นเรื่องปกติที่อัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลได้สร้างมาเป็นเรื่องธรรมชาติที่มันมีดีแล้วก็มีไม่ดีอัลลอสอนให้เราบริหารธรรมชาตินี้เนี่ยในส่วนที่ดีเท่านั้นแต่นั้นส่วนหนึ่งที่ต้องระวังที่ความไม่ดีจะเกิดขึ้นก็คือการอยู่ด้วยกันลำพังหรือการปะปนกันระหว่างชายหญิงปะปนกันนี่หมายถึงว่าท่านะบีฮับในหมู่ของผู้หญิงเฉพาะเนี่ยผู้ชายจะไป สุม 4, ส่มสี่สมห้าเข้าไปเทเลรทลาราไม่ได้ท่า น, นาอดีตสรสำได้ห้ามเอาไวจ้จะไปเข้าไปอยู่ดีกลุ่มในกลุ่มผู้หญิงไม่ได้ ย, ยกเว้นที่เขาจะารู้ตัวหรือว่าเราเข้าไปภารกิจที่เฉพาะมีความจําเป็นเนี่ยเป็นที่อนุ ญ, ญาตแต่ว่าอยู่ดีผู้ชายอยู่ดีนี่เป็นกลุ่มของผู้หญิงเราเข้าไปเฉยเนี่ยไม่ได้ท่านอดีห้ามเอาไว้โดยเฉพาะการอยู่ตามลำพังแบบสองต่อสองเหมือนกับทียอาซีซผู้วาการอียิปต์ ไม่ทันระวังอันนี้เป็นข้อแรกๆเลยนะฮะที่ผมอยากจะฝากเอาไว้กับพวกเราทุกคนเนี่ยว่าเรื่องนี้สําคัญมากการอยู่ตะลับังเนี่ยมันเกิดความเสื่อมเสียเนี่ยเยอะมากแล้วไม่ทันระวังผู้ปกครองไม่ทันระวังลูกหลานส่งไปโรงเรียนไปอยู่ตามมหาวิทยาลัยบางครั้งเนี่ยมันอันตรายเหตุการณ์ต่างๆบางทีเรียนแบบสหาปนกันอันนี้ก็แย่แล้วนะฮะแล้วบางครั้งบางโรงเนี่ยไม่ใช่ของมุสลิมเนี่ยเขาก็เรียนแบบนั่งกันปนกันมั่วอะไรเงี้ย ปนกันมั่วแล้วก็บางทีก็มีการจีบกันแซล์กันอันนี้ก็แล้วก็ยิ่งอยู่ด้วยกันตามลําพังสองต่อสองเนี่ยผมคงไม่ต้องพูดว่ามันมีกรณีที่ไม่ดีเกิดขึ้นมากมายในสังคมอันเนื่องจากอะไรเนื่องจากการปล่อยปปล่อยประละเลยของผู้ปกครองผู้ปกครองผมหมายถึงครูด้วยหรือระบบของโรงเรียนด้วยที่ปล่อยแบบนี้เนี่ยไม่ถูกต้องถูกไหมฮะดังนั้นนี่คือจุดสําคัญมากการอย่ายอยู่ตามลําพังการปะปนกันก็ ยาพอสมควรแล้วแต่ว่าการอยู่ตามลําพังสองต่อสองเนี่ยเป็นอันตรายที่ต้องระวังเป็นพิเศษแวันเวรไทย์เพิ่งผ่านมาใช่ไหมฮะชัดเจนว่าทำไมทไมาําไมอเล็กซ์ถึงห้ามทําไมไม่ให้มีความรักลักษณะแบบนี้ทําไมฮะเนื่องจากเป็นความรักที่มันจะนํามาซึ่งการขัดแยง้งที่พี่น้องทราบใช่ไหมข่าวที่เกิดบางกลางวัยรุ่นกระโดดฆ่าตัวตายเพราะอะไรเพราะมันมันก็เป็นวันความรักยังไงรักยังไง รักแล้วก็ถ้ารักจริงใช่ไหมฮะก็แต่งแต่งงานถูกไหมฮะรักจริงเนี่ยมันต้องเป็นความรักที่บริสุทธิ์ไม่ไปดึงความรักจากใครใชายหนุ่มหญิงสาวถ้ารักกันจริงคือขอแต่งงานเนี่ยวันแต่งงานทควรแฮปปี้พ่อแม่สบายใจทั้งสองฝั่งใช่ไม่ใช่ใช่แต่ถ้ า, าก็ไปอยู่กันตามลําพังก่อนแล้วบอกว่าเป็นเป็นความรักเป็นความรักความรักจริงหนุ่มสาวคขรักกันจริงแต่ถามดูซิพ่อแม่เขาเนี่ยชอบไหม พอใจไหมผ ม, มใช้คาว่าไปขโมยความรักของพ่อแม่มามันทําให้ความรักเกิดขึ้นก็จริงระหว่างหนุ่มสาวแต่ไปถามพ่อแม่เขาสิรู้สึกยังไงสบายใจไหมกับความรักแบบนี้พ่อแม่จะรู้สึกเจ็บใจแล้วก็ช้าใจความรักลูกมันเกิดขึ้นทําทำไมมันช้ำเนื่องจากเหมือนกับถูกขโมยความรักไปมันเป็นความรักที่ไม่ฮาลานไงไม่มีที่มาที่ไปแต่ความรักที่ฮาลานเนี่ยมันนํามาซึ่งความเพิ่มพูนวันแต่งงานพี่น้องสังเกตดูนะครับแต่งงานเนี่ย ฝ่ายเจ้าบ่าวเจ้าสาวพ่อแม่เจ้าบ่าวเจ้าสาวดีใจกันทั้งหมดทําไมฮ ะ, ะเพราะเขาไม่ได้ถูกย่างความรักเขาได้รับความรักเพิ่มเติมต่างจากการไปอยู่กันก่อนการไปอะไรกันก่อนมันไม่ดีใช่ไหมฮะนี่คื อ, ค, อคือธรรมชาติแห่งการเพิ่มพูนคืออยู่กับหลักการของล็อกสุภทานหัวตาอันเองนะครับอ่ะอล็อกก็ได้นําเสนอเรื่องนี้เนี่ยสำคัญมากนะฮ ะ, ะหวังว่านบีซุปจะได้ให้เป็นประโยชน์กับพวกเราหรือว่า นำเอานาบิวสุฟเป็นลูกวกาซาลิกจุดนี้เองจุดนี้นะฮะเป็นจุดที่กําหนดของอัลลอฮ์ที่ให้เป็นจุดสําคัญทําให้เนบยวสุฟได้เป็นผู้มีอํานาจในแผ่นดินเพราะลบอกว่ากาซาลิกมักกันนาลิยูสุฟฟิลอะรดีเช่นนี้แหละเราได้มอบอํานาจให้แก่เ น, นบยวซุฟบนหน้าแผ่นดินนี้เช่นนี้แหละ เราได้มอบอำนาจให้กับนบียูซุฟบนหน้าแผ่นดินนี้อวลีนูอัลลิมาหูมินตะวีหรือละฮะดิษและเพื่อเราจะได้สอนให้เขารู้การทำนายฝันวะลลัหูกอไลบุอลาอาลัยอัมรีฮี เ, เราเราศึกษามาถึงตรงนี้เนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าชีวิตนบียูซุฟเหมือนกับว่าจะาไปไหนก็ได้หมายถึงว่าเหมือนกับเป็นตุ๊กตาหรือเปล่า อาจจะมองว่าเดี๋ยวถูกจับไปทั้งนั้นทีถูกคขายเหมือนกับชีวิตไม่เป็นอิสระคนทั่วไปอาจจะมองว่าอ๋อคือชีวิตแบบว่าช่วงนั้นแย่มากแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ให้ตระหนักว่าอัลลอฮฺุกริบุนอัลลอัมริฮชีวิตเราก็เหมือนกันบางทีอาจจะมีสภาพแบบนี้เฮ้ยทำไมฉันมันไม่เป็นไปตามที่ฉันต้องการเลยดูตัวนบีซุบอยู่กับพุพ่อถูกจับมาปล่อยในบ่อถูกจับไปไปขายในตลาดทาส ถูกจับไปอยู่ในบ้านของอาซิสหรือว่าสุไลคอเหมือนกับชีวิตคือไปไหนก็แล้วแต่แวดล้อมพาไปหมดเลยแต่เราอย่าลืมว่าทั้งหมดนี้เนะี่ยวอัลลอฮฺฮุอะลิบุนอาลามริอัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้ดูแลกิจการดูแลเรื่องราวของนบีอูซุฟเนี่ยโดยตรงเวลากินอัคตราร์น่าซิลายาอะไรหมแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องนี้คนส่วนใหญ่ไม่รู้ชีวิตเราเช่นเดียวกันอัลลอฮ์เป็นผู้ดูแลกิจการชีวิตของเราทั้งหมด แต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ดังนั้นเนี่ยการศึกษาอันกุรานทําให้รู้ในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้การศึกษาเนี่ยชีวิตรเราถ้าเราเ อ, อไปไขควรนะฮะเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรจะเป็นใครก็ตามจะพบเจอข้อแท้จริงอย่างหนึ่งก็คืออัลลอฮุกรีบุลอาลาอัมรีการเนื่องจากอัลลอฮฺเนี่ยดูแลและมันเป็นไปตามธรรมชาติที่อัลลอฮฺสุบฮานห์แต่กาหนดเอาไว้เนี่ยหมายถึงว่ามันเป็นตาม ที่อัลลอ์กำหนดไว้ทั้งสิ้นรลีบุนอะลรอะรแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ที่เราทำอะไรไปแต่ละอย่างเนี่ยอัลล์เก็บทั้งหมดนะครับอะอายะห์ถัดมาซึ่งเราจะได้ศึกษากันในวันนี้นะครับวะลมัมมายังไม่ใช่วะลมัมลมาบลลอาชุดดะฮูอาตนาฮูฮุกมันวะอิลมาเมื่อนบียูซุฟได้บรรลุสูวัยชะกันอลมาเขาบอกว่าวัยชกันตรง น, นี้อายุสสปีบลอชุดดะฮู เกิดอะไรขึ้นอาไตนาฮุคมันวะอิลมาเราได้ประทานฮุคมันเฮกมะประชญาหรือความเข้าใจศาสนาความเข้าใจชีวิตวะอิลมาละความรู้เนี่ยอัลลอฮ์ให้ฮุคมันก่อนอิลมาเฮกมะเนี่ยบางทีอาจจะสําคัญกว่าตัวความรู้ต่างกันยังไงครับเฮกมะอัลลอฮ์เนี่ยเป็นอาลีบุญฮากีมเป็นผู้รอบรู้และเป็นผู้มีเฮกมะต่างกันยังไง เฮกไมนี่คือวัตถุดิบเฮกไม้นี่คือถ้าผมจะจะเปรียบเทียบให้ให้ฟังนะครับเหมือนกับถ้าเป็นเชฟเชฟที่ทำอาหารคุกกันนะุกกั น, นะฮะทำอาหารเนี่ยฮกมนี่คือความสามารถในการผลิตอาหารได้อย่างดีรสชาติอร่อยแล้วก็ได้หลายเมนูอันนี้คือเชฟ อันนี้คืออันนี้คือกมาหมายถึงว่าวิธีการผลิตอาหารนะส่วนความรู้เนี่ยจะเปรียบเทียบเหมือนกับเป็นวัตถุดิบอ่าถ้าไม่มีความรู้เลยก็จะไม่มีฮฮกมาคือจะไม่สามารถจะเชฟเก่งขนาดไหนก็จะไม่สามารถผลิตได้แต่เฮกมาเนี่ยสำคัญยังไงเฮกมาเนี่ยคือคือความสามารถบางครั้งเนี่ยมีวัตถุดิบไม่เยอะแต่ถ้าเชฟเก่งมีเาเรียกว่ามีความสามารถนะฮะมีฮกมาเนี่ย สามารถที่จะผลิตอาหารออกมาได้อร่อยหรือหลายชนิดอันนี้คือตัวเฮกมาต้องอาศัยเฮกมเช่นเดียวกันความรู้ของเราเนี่ยบางครั้งหน่วยของมันเนี่ยอาจจะไม่เยอะตัวหน่วยความรู้เนี่ยไม่เยอะแต่เรามีเฮกมาเราสามารถที่ใช้ความรู้แม้จะเล็กน้อยเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเยอะแยะมากมายกว้างขวางจุดนี้เนี่ยสคัญเรานึกออกไหฮะ แม้ความรู้จะไม่เยอะเราหน่วยมาเนี่ยบางคนอาจจะมีความรู้มากกว่าแต่ฮิกมาเนี่ยคือตัวปรุงที่จะทำให้เราเนี่ยผลิตความรู้ออกไปได้เยอะเพราะฮิกมาคือจุดที่เราสามารถจะนาเอาบทเรียนจากมุมต่างๆของความรู้เดียวเนี่ยเอามาใช้เป็นเป็นประโยชน์ได้สำคัญทั้งสองอย่างแต่ตัวฮิกมาเนี่ยคือเป็นจุดสำคัญเนื่องจากอะไรฮะพิเศษ เนื่องจากว่ามันคือมันทำให้คนที่มีฮิกมาสามารถที่จะให้ความรู้มันมันมันกระจายมีความกว้างขวางขึ้นอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตะเบียยตินให้มาแต่ไ ม, ะมยะชะอัลลอ์จะประทานฮิกมาให้แก่ผู้ที่พระองค์ประสงค์ว่าไมายุตันฮห้มาแตใครก็ตามที่ได้รับฮิกมาฟะกาดอูที่ะไครรนกะซีรอได้รับความดีมากมายได้รับความดีมากมาย หมายถึงว่าตัวความดีมากมายเนี่ยคือผ่านมาจากฮิกมะแม้ว่าความรู้จะเล็กน้อยยกตัวอย่างเช่นนะฮะอิหม่ามชัฟิร์นเราจะได้เห็นภาพท่านเป็นคนที่มีมีชื่อเสียงคนเป็นเป็นคนมีฮิกมะแล้วก็สามารถที่จะถอดบทเรียนเนี่ยได้เยอะมากอย่างเช่นฮัลลิสบทเดียวเนี่ยฮัลลิสบทเดียวนะท่านสามารถถอดบทเรียนได้เจดสิบบทเรียนเช่นฮัลลิของอะไรนะฮะ ยาอบอุมิรมาฟะอันนูไกรน้องชายของนัสบินูมาลิกเนี่ยนกของเขาที่เขลี้ยงไว้เนี่ยมันตายนะบีก็ไปไปหาเขาแล้วก็ไปปลอบใจเขาบอกว่าโอ้อบาอุมิรเอ๋ยมาฟะอันนูกไอ้นกน้อยมันเกิดอะไรฮัดิสสันส้นแค่นี้นะฮะยิบามเชฟีรอฮมลอลสามารถที่จะถอดบทเรียน70บทเรียน70บทเรียนแสดงว่าวัตถุดิบเนี่ยฮัติบทเดียว ซึ่งเราทั่วไปเนี่ยอาจจะหยิบได้ห้ 5, 6, บทเรียนก็ถือว่าเยอะแล้วใช่ไหมฮะแต่ระดับอิบรามชัฟฟีเนี่ยเนื่องจากท่านมีฮิกมาท่านสามารถจากวัตถุดิบแค่ฮะดิสเดียวเอาไปใช้ได้แบบว่าครั่งพรูเอาไปใช้ได้หลายเรื่องเจ็ดสิเรื่องเจ็สิประเด็นนึกออกไหมฮะนี่คือฮิกมาประโยชน์ของการมีฮิกมาในบิวซุฟฟาริสรามเนี่ยมีฮิกมาและมีความรู้ด้วยสองที่ยิ่งรวมกันเนี่ยมันยิ่งแบบโอโ้โหจับอะไรมาก็เป็นความรู้ทั้งหมดนะฮะ คุรุศาสวิธีการผมว่าให้เพิ่มเติมนะครวิธีการที่จะได้ซึ่งฮิกมาเนี่ยอย่างไรวิธีการจะได้เพิ่มพูนซึ่งฮิกมาศึกษาอัลกุรอานให้ควรกุรอานฮิกมาเพราะอัลลอฮฺบอติีกัอายาตุนกีตาบินฮะกีมคําพีกุรอานเป็นคําพีแห่งฮิกมาหมายถึงว่าให้เราดูแบบกลับไปกลับมาความรู้จะทําให้เราจับประเด็นถูกจับประเด็นแม่นและทําให้เรา สามารถจะต่อยอดความรู้แม้เพียงเล็กน้อยเนี่ยเอามาเป็นบทเรียนได้เยอะมากวิธีการคือศึกษากรุาสอคือศึกษาสุน้าท่านบีสอนสอนสุน้าถูกถูกขนาดนาอีกชื่อหนึ่งว่าฮิกมะสามคือการไขขวนการสร้างข้อระอนเพราะการสร้างขอ Allah ้อร้อนเนี่ยมีฮิกมะสี่คือการระงับอารมณ์โกรธเพราะความโกรธเนี่ยจะทําให้เราขาดฮิกมะเพราะฮิกมะความหมายหนึ่งคืออักตตสติปัญญา ถ้าปกติเาราโกรธเนี่ยมันจะไม่สามารถใช้ใหญอย่างสมบูรณ์ใช่ไหมฮะช่วงอารมณ์โกรธนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งอะไรอีกประการนึ่งก็คือการขอดูอาตอรอขอให้เราได้ได้รับฮิกมาลองอาตินาอาตินฮิกมาจากอาตินีคอยรังกะซีรอนตามคำนวณในกุรานั่นเองนะครับใน บ, บิยุสุฟไลสักเราบอกวา่าเมื่อบรรุสุไวชะกัน <c oughs> อุลามาว่าประมาณสาสิบปีเนี่ยเราได้ประทานฮุกมันวไวมาฮิกมา ในที่นี้ก็แปลว่าความสุขุมรอบคอบแต่น่าจะแปลความหมายว่าคือปรชัชญาคือคือวิทยาปัญญาอะไรแบบนี้มากกว่านะแล้วความสุขุมเป็นส่วนหนึ่งของฮิกมาวะอิลมาและความรู้วะกะดะลิกานาจืซินมูฮ์ซินินเช่นนี้แหละอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะได้ฮิกมาคือทําความดีการทําความดีเนี่ยฮิกมาได้ทําไมฮะอีกข้อนึงเมื่อกี้ที่บอกทํำไมทําความดีแล้ได้ฮิกมาเพราะความดีเนี่ย ที่เอารกําหนดเนี่ยนะให้เราทำเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เหมาะสมที่สุดเพราะฮิกมาความหมายนึงคือว่าโอเชยินฟีมาโอเอเฮีคือการวางสิ่งหนึ่งให้เหมาะกับตําแหน่งของมันวางสิ่งหนึ่งให้เหมาะกับตําแหน่งของมันดังนั้นเนี่ยการทําความดีคือการวางพฤติกรรมของเราเนี่ยให้เหมาะกับตําแหน่งดังนั้นก็เป็นฮิกมาเช่นเดียวกันตรงข้ามกับอะไรซุลมุนซุ่นมุนนี่คือการอาธรรมอาธรรมนี่คืออะไรฮะวางไม่ถูกที่ผมยกตัวอย่างเช่น ถ้าโทรศัพท์มือถือสมมตินะฮะของในเกาะในขอมาเอาเอาไปเขาเรียกว่าอะไรซุ่นมุนอธรรมใช่ไหมฮะก็คือที่ของมันไม่ใช่ไปอยู่ของเขาในขอมันเป็นของในเกาะอันนี้คือความอาธรรมคือวางผิดที่อะ่ะมันไม่ใช่ของคุณแล้วคุณเอาเอาเป็นของตัวเองอันนี้ผิดที่ก็คือเขาจะขาดเฮกมาอันนี้คือตัวอย่างคร่าวๆนะครับเด็กชอว์แล้วท่าพี่น้อง ช่วงตอนท้ายถ้าต้องการจ ะ, จะสอบถามอะไรก็ได้ใช่ไหมใ น, นบิวซุฟอะเลฮิสลามเนี่ยอัลลอฮ์บอกก่อนว่าเมื่อบรุสวยชะกันแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ประทานฮุกมันวัยน์มานี่การตอบแทนคนดีทั้งหลายหลังจากนั้นอัลลอฮ์บอกอวารอวะเดทุลัดตีนี่สแสดงว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นฮฮกม้าของนายูซุฟความรู้ของนายบซุฟแล้วก็เป็นจุดสําคัญที่เราจะเห็นว่านายบซุฟอะเลฮิสลามเนี่ยได้ขึ้นมาเป็น ผู้ปกครองเนี่ยอย่างไรเพราะว่ากลกมักนัยูซุฟิลอรวะลีนอัลลิมูมินตะวิลฮดษนี่อะที่ขึ้นก่อนหน้านี้นะครับอ่ะเราตัดฉากมาในส่วนที่นบีอูซุฟเยอยู่ในบ้านอยู่ในวังของผู้ว่าการอียิปต์ขณะนั้นแล้วก็มีภรรยาของเขาเนี่ยอยู่ตามลาพังกับนบีอูซุฟอันนี้เนี่เป็นจุดที่ บ, บกพร่องนะฮะหัวข้อในวันนี้เนี่ยผมใช้คำว่าบททดสอบของวัยรุ่นจุดสาคัญอยู่ตามลาพัง เพรเกิดอะไรขึ้นเกิดความรู้สึกโดยเฉพาะอันนี้ก็พูดตรงไปตรงมาคือไม่ได้กล่าวหาผู้หญิงนะฮะแต่ว่าเป็นธรรมชาติที่เรื่องนี้คือความผิดความชั่วต่างๆเนี่ยเราพูดตามธรรมชาติถ้าเป็นเรื่องขโมยนะฮะผู้ชายเนี่ยจะเป็นเป็นคนมีความผิดแบบนี้มากกว่าเวลาเราพูดคนขโมยว่าซาดิกุวัสซาดิโกบรรดาคนคนที่ขโมยชายคนที่ขโมยหญิงจะถูกตัดมือใช่ไหมฮะแต่พอพูดถึงเรื่องซีนา ว่อาซานียตัวซานีพูดถึงผู้หญิงก่อนแสดงว่าฝ่ายเริ่มในส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงขโมยผู้ชายเนี่ยมากกว่าแต่ทั้งคู่ก็มีสิทธิ์ที่จะทําความผิดในส่วนนี้นะฮะเราจึงบอกว่รอว่ดททุ่ละีหัวฟีใบตีฮะคือการบอกลักษณะนี้เนี่ยคือเราจะได้ระวังเป็นพิเศษผู้ชายระวังระวังอะไรผู้หญิงเนี่ยจะระวังอะไรนะฮะว่รอว่ดททุ่นลตีและเธอที่ในบิซุบหัวฟีใบติฮะอยู่ในบ้านของเธอ ได้ล่อลวงนบีอูซุฟอันนับสี่ล่อลวงตัวนบีอูซุฟเนี่ยล่อลวงคือเชิญชวนให้ทําความผิดความชั่ววอร์รอนลกอติลอบวบาวและปิดประตูไม่ใช่ประตูเดียวนะฮะอับปบาวในที่นี้ก็แปลว่าปิดประตูประตูเดียวไหมจริงๆคืออบวบาวคือปิดบรรดาประตูทั้งหลายอุลมามะบอกบางท่านบอกว่าเจ็ดชั้นอันนี้เป็นเป็นวังอะประตูมีหลายชั้นเขาบอกว่าลงกรนในทุกประตูเพื่อ จะได้สำํำลิด ต, ตามที่เธอเนี่ยต้องการจากทัวในบิยูซุฟไลยิสลามวัวกอนและกอติลบบาบวาไม่ได้ปิดประตูอย่างเดียวนะฮะยั่วยวนหนึ่งปิดประตูสองสามตัวกอและและก็กล่าวให้ตจละมันี่สิยูซุฟเรียกมันี่สิยูซุฟอ่ะโอกาสที่นบียูซุฟไลยิสตันจะทำความผิดหรือว่าสภาพที่อุลมามะเขาบอกนะฮะปกติเนี่ย ความผิดมันจะขึ้นอยู่กับเ้าเรียกว่าอะไรฮนะมันโอกาสในการทาความผิดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแวดล้อเหมือนกันอย่างเช่นเราจะทําความผิดต่อต่อหน้าพ่อแม่เราไหมฮะคนทั่วไปเนี่ยไม่ทําความผิดถ้าอยู่กับเพื่อนจะทําความผิดไหมฮะอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นไปได้มากกว่าแต่ถ้าเป็นเพื่อนที่ ด, ดีๆก็อาจจะเบาแต่มันก็จะน้อยกว่าพ่อแม่พ่อแม่นี่คือยิ่งจะไม่ทำแนะ แต่ถ้าอยู่ตามลําพังจะทํำไหมครับผำมอันนี้แสดงว่าความผิดเนี่ยแบบหนึ่งนะฮะเราอยู่ในหมู่บ้านเราเองหรืออยู่ในประเทศคนที่มีอยู่ในที่ที่เรามีคนรู้จักเยอะเนี่ยโอกาสจะทําความผิดน้อยกว่าไปอยู่ในที่ที่ไม่มีใครรู้จักเราถูกไหมฮะอย่างเหมือนที่ไปต่างประเทศอะไรย่างเงี้ยโอกาสทําความผิดสูงกว่าทําไมหันขวาหันซ้ายไม่มีใครที่เขารู้จัก โอกาสทําความผิดเนี่ยอุลมะบอกว่ามากกว่านั่นเป็นความจริงไม่มีใครในเช่นเดียวกันการถูกเชิญชวในให้ทําความผิดเนี่ยจะเป็นโอกาสทําอหผิดมากกว่าการที่บางทีเริ่มเนี่ยไม่กล้าหรือว่ากลัวที่จะไม่ตอบสนองเป็นต้นนะฮะในะเช่นเดียวกันคนที่อยู่ในสถานะสูงส่งกว่ามาเชิญทําความผิดเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าน่าทําความผิดมากกว่าอุลมะก็บอกานบิอุสุฟอะไรวิสรามเนี่ย ช่วงที่ท่านกําลังถูกยัวย่วยวนทําความผิดนะอยู่ในสภาพที่เอื้ออํานวยในการทํำความผิดแทบทุกประการหนึ่งคือเป็นช่วงวัยรุ่นสองคืออยู่ตามลําพังสามคืออยู่ในถิ่นต่างหน้าติ่นถิ่นคนแปลกหน้าคือไม่ได้มีอยู่กับครอบครัวคนรู้จักแล้วอยู่ในชุมชนบางทีไม่กล้าทำความผิดไปอยู่ในสถานที่ไม่มีใครรู้จักเลยเนี่ยบางทีเราอาจจะทําผิดบ้างอะไรบ้างมันแบบนี้ใช่ไหมฮะ สคือในบิยูซุปอยู่ในสถานะขณะนั้นเนี่ยคือสถานะทางสังคมนะฮะเธออยู่ในสูงส่งกว่าสูงศักกว่าเพราะเป็นเจ้านายสถานะเจ้านายในบียูซุปอยู่ในสถานะเป็นเป็นกึ่งๆึ่งทาสถูกไหมฮะแล้วก็อะไรนะฮะคือในในบริบทต่างๆเนี่ยคือโอกาสที่จะทําความผิดมันมันสูงมากแต่ขณะนั้นเนี่ยลอสุบฮานุวัตนเนี่ยให้ตัวอย่างเลย ตัวอย่างที่ผมยกไปทั้งหมดเป็นสิ่งที่เราต้องระวังทั้งสิ้นเลยนะฮะอย่างเช่นการจะส่งลูกไปเรียนยังสถานที่ต่างแดนอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่สําคัญสถานที่นั้นเนี่ยเป็นอย่างไรโดยเฉพาะผู้ชายหรือแม้แต่ผู้หญิงเองก็ตามฮะแล้วก็สองช่วงวัยรุ่นโดยเฉพาะก็ต้องระวังเพราะเป็นวัยที่ความรู้สึกโดยเฉพาะในมิวสิคอีกอันหนึ่งที่โลมาเขาบอกยังไม่ได้แต่งงานอันนี้ก็เป็นจุดสําคัญ คนที่ไม่แต่งงานเนี่ยไม่เหมือนกับคนที่แต่งงานแล้วในเรื่องนี้อพี่น้องก็ทราบใช่ไหมครัว่าความรู้สึกมันต่างกันแล้วก็การอยู่ตามลําพังทั้งสิน้นทั้งหลายทั้งปวงแบบนี้เนี่ยเป็นบทเรียนทั้งสิน้นสําหรับวัยรุ่นที่เราต้องระวังเป็นพิเศษเพราะโอกาสจะทําความผิดมันเกิดขึ้นจากปัจจัยเหล่านี้อแต่ในบิลซูฟาริสันสิ่งที่ท่านมีและเป็นหลักเลยนะฮะก็คืออัลลอฮฺสุบฮานัดเจียนมากจิตใจท่านผูกพันกับอัลลอฮฺตลอด ปัจใจทั้งหมดเพื่อแล้วโอ้โคือมันแบบว่าเพื่อแบบว่าเต็มที่แล้วก็สุดๆ ด, ดแล้วแต่นาบิซุสุบุก็ล่ะคาแรกที่ออกจากปากนาบิอุสุบก็ล่ะมาลัลออาอูซุบิลลาขอความคุ้มครองต่อละอันนี้จุดสําคัญมากมาลัลลอขอความคุ้มครองต่อละอันนี้ก็เป็นจุดสําคัญเช่นเดียวกันสําหรับเยาวชนวัยรุ่นเนี่ยจะทําความผิด บางคนบอกว่าอ๋อฉันรอให้อยู่ในช่วงแบบคล้ายๆนบีซุบหรือเปล่ไม่ฮะคือมันไม่ใช่ว่าแบบนี้คนจะรอดตลอดไม่ใช่แล้วก็ศาสนาไม่ได้บอกว่าให้เราเก้าวตัวเองไปสู่ความผิดและไปถึงขั้นสุดท้ายแล้วค่อยถอนตัวไม่เราบอกแล้ตะกระบุษณาอยากเข้าใกล้ซีนาจะเป็นขั้นแรกหรือขั้นสุดท้ายเนี่ยคืออยากเข้าใกล้เพราะมันจะยับยั้งตัวเองไม่ไนดะ้แต่นบีซุบคือในสภาพที่สภาพที่ไม่สามารถจะเลือกได้คนที่ต้องปฏิบัติตามทุกอย่าง แล้วก็อีกส่วนหนึ่งอัยอีกส่วนหนึ่งสําคัญนะฮะอีกบทเรียนหนึ่งคือความไม่หึงหวงของผู้ปกครองต่อผู้อยู่ใต้การดูแลของตนเองไม่หึงหวงเนี่ยบางคนบอกว่าเอ้ยไม่ไม่หึงหวงนี่เป็นปัญหาจะเป็นสามีไม่หึงหวงภรรยาอันนี้คือในกรณีนี้เลยนะสามีไม่หึหวงภรรยาพ่อไม่หึงหวงลูกสาว พี่ชายไม่หึงหวงน้องสาวหรือพี่สาวตัวเองหรือไม่หึงหวงเครือญาติของตัวเองที่เป็นผู้หญิงหรือแม้แต่มุสลิมมะทั่วไปเนี่ยไม่หึงหวงนี่เป็นปัญหาที่สังคมเราเนี่ยดูเหมือนว่าจะน้อยถ้าความหึงหวงมันมากกว่านี้นะฮะความผิดจะลดน้อยกว่านี้เนี่ยมากใช่ไม่ใช่ฮะคือหึงหวงคือรู้แหละเนี่ยว่าคุณมาสมมติว่าลูกสาวลูกสาวชั้นมาแฉลบบัจิตนะ ถ้าพ่อบอกมาว่ามันเป็นเรื่องปกติหนุ่มสาววัยรุ่นแบบนี้มันก็เอามากกว่านี้ต่อหน้าหรือไม่ก็พอรู้มาไม่ทําอะไรเนี่ยมันก็มากกว่านี้ได้บทบาทสําคัญมากของผู้ปกครองอันนี้เรื่องนี้เป็นบทเรียนมากอาซีสก็คือบอกกับภรรยาบอกว่าอครีมีมาส์กเอาที่นอนให้เขาดูดีๆทําไมไม่ใช้คนอื่นสําคัญมากเป็นบททดสอบที่เราจะได้เป็นบทเรียนนะครับ ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นปัจจัยเราก็ต้องระวังอย่าให้ปัจจัยเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะมันอาจจะเกิดผลลัพธ์ที่ไม่ดีได้แต่เราให้ใ ห, ให้ให้เกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าจะได้เป็นบทเรียนสําคัญไม่ได้เกิดสิ่งที่ไม่ดีทำดุลละที่เราจะได้ให้ตัวอย่างในเบียูซุปเนี่ยเป็นบทเรียนกับพวกเราทุกคนก็อะไรมาอ้ายต่ลลอฮ์ระลึกถึงอัลลอฮ์ขอความคุ้มครองต่อเราการระลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยทุกขณะขณะไหนบ้างทุกขณะ บางคนจะเข้าใจว่าอ๋อการบลัฟถึงร้อนตอนไหนตอนละหมาดใช่ตอนอ่านคุรานใช่ตอนถือศีนดใช่จลศีนดใช่ตอนอะไระไปทำฮัทานรอนใช่แต่หลายคนอาจจะไม่คิดว่าการ ล, ลัถึงรอเนะี่ยต้องรำลึกทุกขณะแม้แบบว่าสุดยอดเลยนะที่คนส่วนใหญ่เนะี่ยไม่คิดว่านี่ต้องคิดถึงรำลึกถึงอรอ้ขณะนี้ได้หรอแม้ขณะ จะทําความผิดหรือขณะทําความผิดไปแล้วก็ต้องรําลึกถึงอัลลอฮ์เรื่องนี้คนส่วนใหญ่ไม่ทํากันความผิดมันเลยไปเรื่อยผมฝากไวนะ้ตัวนงที่สำคัญมากคือการรำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยคือรำลึกถึงทุกขณะแม้ขณะจะทําความผิดต้องระลึกถึง Allah, อัลลอฮ์เพราะมันจะได้ยับยัง้งหรือหลังจากทาความผิดแล้วเนี่ยก็ต้องรำลึกถึงอลัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์บอกเอง a ล l a d าอถ้า فعل ูฟะฮีชะตันเอุจลาโมอัลฟุสหุมบรรดาผู้ที่เมื่อเขาทําสิ่งลามกหรืออธรรมต่อตัวเองจลาโมอัลฟุสหุม t h e k a r u l อ a h เารำลึกถึงอัลลอฮคือมันเป็นไปเป็นไปได้หรอจะทําความผิดแต่จุดมันต่างกันตรงไหนฮะคนทำความผิดทั่วๆไปเนี่ยทําความผิดแล้วลืมๆไปไม่ลึกถึงอัลลอฮ แต่สําหรับผู้ศรัทธาผู้ตะ ก, กวาต่อร้อนนะฮะแม้จะทําความผิดザการุลลอต้องนึกถึงร้อนอันดับแรกเลยแล้วทําไงต่อฮะฟัสต์ฟารูลิซนูบิฮิมขออภัยโทษในความผิดฟัสต์กุฟารูลิซนูบิฮิมในความผิดที่ตนเองได้กระทําแล้วร้อนบอกว่ามีเยฟิรุซูนูบะอิลลอละและใครจะอภัยโทษในความผิดบาปได้นอกจากอัลลอฮ์วลามยูซิรู อาลามาฟะอลูอะหุมยาอัลลมุโดยที่พวกเขาเนี่ยไม่ยืนกรานในสิ่งที่ตัวเองทำความผิดทั้งที่พวกเขาเนี่ยรับรู้กันว่านั่นเนี่ยคือความผิดนั่นเองนะครับดังนั้นจุดนี้นี่คื อ, อ, อสำคัญมากนะครับการนึกถึง AH. อ, ละะอัลลอฮ์กอเลมอาอัลลอฮ์นี่คือประการแรกนมียุสุบสอง บอกว่าอินนหูรับบีอัลฮะนามส่วยแท้จริงแล้วเนี่ยอินนหูรับบีเขาเนี่ยคืออินนหูรับบีอัลฮะนามส่วยแท้จริงเขาก็คือเจ้านายของนบียูซุฟเนี่ยได้ดูแลฉันอย่างดีให้ที่พำนักกับฉันในอย่างดีอินนหูลายุฟลิฮุซจลิมุน อลมเาบอกว่ารบบีอ you like ินอ sure like ูรบบีเนี่ยหมายถึงว่าเจ้านายของนบีอูซุฟเองหรืออาจจะหมายถึงเออโทษทีหมายถึงอาซีหรืออาจจะหมายถึงอัลลอ์สุบฮานะัวตาก็ได้คือทั้งสองนัยยะได้ทั้งคู่อย่างเชกเอ่ออับูบักอัจารีเนี่ยได้บอกเชนั้นนะฮะหมายถึงเจ้านายที่ให้ที่พำนักหรือหมายถึงอัลลอ์สุบฮานะหัวที่ให้นบีูซุฟเนี่ย ไม่ได้ถูกจับไปที่อื่นหรือว่าให้คนอื่นเนี่ยจับตัวไปแต่มาได้อยู่ในบ้านที่ได้รับการดูแลอย่างดีนั่นเองนะครับอินอาหุรับเบอฮัสมะฮวะนั่นแสดงว่าการนึกถึงความโปรดปานของอัลลอฮ์เนี่ยช่วยให้เราเนี่ยไม่เนรคุณกับอัลลอฮ์นึกถึงความโปรดปานของอัลลอฮ์หรือความโปรดปานของคนที่เราจะทรยศเขาเนี่ยจะทําให้ลดเราไม่กล้าที่จะทำความผิดกับเขาเนั่นเองนะครับอินนาฮูลาอูฟลิฮุซอเลมูและประการข้อที่สามคือ ผมใช้คำว่าในาบิอุสุฟเนี่ยรู้ศาสตร์ความสําเร็จศาสตร์ความสําเร็จยังไง ร, รู้ว่าคนทําแบบนี้เนี่ยไม่ประสบความสําเร็จและยุฟลิอุสจอเลมูนในบิอุสุฟเนี่ยชีวิตของท่านนะฮะคือท่านในอาเทนหุฮุคมันวอยลมามีเฮกมาและก็มีความรู้ส่วนในจกะกเฮกมาที่นบิอุซุฟอะไสแซมมีก็คือรู้ว่าจอเลมเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จการทําแบบนี้ไม่ประสบความสำเร็จจุดนี้เนี่ยสำคัญมาก และคนที่ถูกล่อลวงเนี่ยเขามักที่จะคิดว่าแบบนี้นี่คือสิ่งที่ดีคือสิ่งที่จะนำมาซึ่งความดีแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ไม่นำมาซึ่งความสำเร็จจุดนี้สำคัญมากนะฮะเป็นจุดที่ผมใช้คาว่าในาบิลซุรู้ศาสตร์แห่งความสำเร็จเดี๋ยวพี่น้องจะดูว่านาบิซุปไม่เพียงแค่รู้ส่วนตัวนะท่านพยายามที่จะให้พยายามที่จะให้คนอื่นเนี่ยเขารู้ข้อเท็จจริงตรงนี้ด้วย นั่นคือในผมเล่าล่วงหน้าไปนิดหนึ่งในบิลซุปปาริสตลามเนี่ยรู้ว่าอินนฮุลัยุฟิฮุซอลิมุลนะฮะช่วงที่ท่านไปถูกจับขังไปในคุกถูกจับขังคุกนะอยู่ในคุกเนี่ยแล้วกษัตริย์เชิญตัวให้ในบีซุปเนี่ยออกมาเนื่องจากท่านไปทํานายทํานายความฝันได้ประทับใจกษัตริย์มากในบิลซุปไม่ออกกอลรจะแล้วบอกกับทูตที่นําจะนำโซนในบิซุปออกว่าวอกอลรจีอีลารรบิกะกลับไปหาเจ้านายของท่าน ฟัสอัลฮมูมาบาลุนนิสวะติลลตีกัตตานอัยดิยาฮุนนาอินนาร็อบบีบิไกดิฮินนาอาลแล้วไปถามพวกสัตรีที่ตัดนิ้วเฉืนนิ้วของตัวเองเว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์ดังกล่าวมันเกิดอะไรขึ้นแท้จริงอินนาร็อบบีบิไกดิฮินอาลีมพระเจ้าของฉันนรู้ว่าพวกเธอเนี่วางแผนอะไรกันยางไงแต่คนอื่นเน่อยจากคนอื่นนะไม่รู้ประเด็นที่ผมต้องการชีค้คืออะไรฮะนบียูซุฟ ไม่ต้องการจะให้ออกมาจากเรือนจำในสภาพที่คนอื่นเห็นว่าท่านมีคดีต้องโทษและออกมาจากเรือนจำเนี่ยแล้วกลายเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มาด้าวะมาเชิญชนบัวสวแล้วขณะที่คนอื่นยังเข้าใจว่าท่านเองยังไม่ได้เป็นคนดีแม้ว่าท่านจะเป็นคนดีนะฮะแต่คนอื่นเข้าใจแบบนี้เน บ, บซุฟไม่ต้องการให้คนอื่นเข้าใจแบบนี้เพราะการเข้าใจแบบนี้เนี่ยทาให คนอื่นเข้าใจกฎธรรมชาติขอร้อนเนี่ยผิดไปว่าเป็นไปได้ยังไงคนทําไม่ดีแต่กลับได้เป็นใหญ่เป็นโตในบิยูซุฟไม่ต้องการให้กฎธรรมชาตินี้เนี่ยมันผิดเพี้ยนมันไม่ผิดเพี้ยนหรอกกฎธรรมชาติไม่มีผิดเพี้ยนแต่คนจะเข้าใจผิดเพี้ยนในบิลยูซุฟก็ไม่ยอมหลังจากที่พอคดีเคลียร์เสร็จเรียบร้อยแล้วและเห็นว่าในบิยูซุฟถูกนะฮะจุเลียคอยยอมรับแล้วเนี่ยตอนสุดท้ายเนี่ย ในบิลซุปก็ได้บอกประโยคหนึ่งว่าซาลิกะลียาละมาอันนี้ลำอคุนหูบิลรอยที่ฉันทําเช่นนี้เนี่ยเพื่อเจ้านายฉันจะได้รู้ว่าฉันไม่ทรยศกับเขาลับหลังสองในบิซุปบอกว่าอันละลอฮ์ ล, ลาฮียดีไกดันคออีนินและเพื่อจะได้รู้ว่าอัลลอฮ์ไม่ให้ทางนําแก่คนที่ทรยศอย่างแน่นอนหมายถึงถ้าในบิซุปจะขึ้นมาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยในบีไม่ได้ทรยศนะฮะ แต่เราถ้า เ, เราสุภานโนให้ในบิวซุปนี่คือขึ้นมาอยู่ตำแหน่งที่สูงคนที่มองเนี่ยเขาจะมองว่าอ๋อนี่คนผิดแต่ว่าใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยขึ้นมาแบบนี้โอยแบบนี้ฉันจะทาความดีไปเพื่ออะไรนึกออกไหมฮะฉันทาความผิดดีกว่าไปประจบสอบพอดีกว่ามันจะได้ขึ้นสูงในแบบนี้ในบิวซุปไม่ต้องการให้คนเข้าใจแบบนี้เพราะนี่มันเป็นไม่ถูกกฎธรรมชาติของเราคนทนําดีต้องได้ดี คนทำช่วยจะไม่ได้ดีแบบนี้เนี่ยมันไม่ถูกต้องตามกฎธรรมชาติของอัลลอฮ์ที่อัลลอ์วางเอาไว้ในวูฮซุัจึงจำเป็นต้องให้คนเนี่ยรู้ว่าที่ชันที่ฉันเนี่ยได้รับแบบนี้เนี่ยเนื่องจากว ah ่าอันนลอฮะเลยาฮดีไกดันคอยีินอัลลอฮ์ไม่มีทางจะให้อะไรนะฮะให้ทางนำกับแผนการของคนทรอยอย่างแน่นอนนั้นแสดงว่ากฎธรรมชาติของอัลล์เนี่ย เป็นจริงอันนี้คือหน้าที่ของเราเราจําเป็นต้องรู้ว่ากฎของอรรรขาเป็นอย่างไรเ น, นีเช่นกฎหนึ่งนะฮะมีเยอะอินดูไลอุฟลโฮซอริมูลคนธรรมไม่สําเร็จกฎความสําเร็จถ้าคนธรรมไม่มีทางสําเร็จสองคือนอกจากเรารู้ส่วนตัวแล้วเราต้องพยายามสอนต่อบอกต่อกฎธรรมชาติอะไรบางอย่างกฎธรรมชาติเนี่ยมีเยอะอยเช่นแรงโน้มถ่วงเราก็ทราบใช่ไหมอันนี้กฎธรรมชาติ หรือว่าจุดเยื่อแข็งเอาน้ำเนี่ยไปแช่ในช่องฟิสทุกคนทําเนี่ยเหมือนกันหมดถูกไหมฮะไปแช่ในช่องฟิสจุดเยื่อแข็งเท่าไหร่ศูนย์องศาเช่นเดียวกันกรธรรมชาติเยอะนะฮะแต่คนส่วนใหญ่คือรู้แค่เปลือกๆแต่ตรงนี้สําคัญคนที่อาจทำเนี่ยไม่สําเร็จนี่เป็นกฎธรรมชาตินี่ไม่ได้เป็นเป็นคำอะไรนะเป็นกฎธรรมชาติที่ในิวซุปได้รู้ความรู้อาตใจนะหูฮุกมันวอเอนแมนที่เราบอกประทานความรู้ให้ไม้กับในวิวซุป อิน ل าฮูเลย ل ฟเลฮอซอนอุนนี้สำคัญมากถ้าเราสอนออคนอยู่ใต้การดูแลของเราเนี่ยให้รู้สิ่งเหล่านี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเป็นสิ่งที่ดีมากจะทำให้เขาเนี่ยเข้าใจกฎเกณฑ์ธรรมชาติของลอและเป็นจุดทำให้ไม่ทำความผิดอันเนื่องจากรู้กฎเกณฑ์ว่าแบบนี้บนไปลายเป็นอย่างไรนะครับเราบอกต่อไปว่าเราก็บอกธรรมธรรมชาตินะอยาตฮัด ม, มาว่าก็จะทมัสบิฮี และแน่นอนแท้จริงแล้วเนี่ยเธอปรารถนาในตัวนบีอูซุวะฮัมะบฮะนบีอุปก็มีความรู้สึกของมนุษย์คนหนึ่งที่มีความปรารถนาสาะพานเหลอเอาเราบอกแบบสั้นๆเพื่อจะให้เรารู้ว่าแล้วบางคนบอกว่าอ๋อนบีเป็นนบีใช่นบีเป็นนบีแต่มีความรู้สึกเหมือนกับมนุษย์อันนี้ก็เป็นหลักฐานที่บ่งบอกนะครับว่าคือจะใครจะแน่ขนาดไหนเนี่ยไม่แน่กว่านาบีแน่นอน อ, อ๋อฉันไม่เป็นไรฉันอยู่กับผู้หญิงได้ฉันไม่ไม่คิดอะไรเป็นไปไม่ได้นี่หลักฐานว่าเราก็จะทำมัธยีฮิวะทำมัธยีฮะและการกล่าวเรากล่าวไม่ได้กล่าวยาวเรื่องนี้นะฮะมันจะได้คือคนจะไม่ได้บางคนไปลงเรื่องนี้เยอะไปบอกรายละเอียดว่ายังไงแต่จริงๆคุตตาคือบอกให้เท่าที่จําเป็นจะได้คาจัดข้อสงสัยว่าอ๋อบงคนกล่าวหาอัอฮฺมิยุซุฟไม่ได้มีความรู้สึกกับเพศตรงข้าม อ, อย่างนี้มันไม่เป็นบททดสอบจะเอามาเปรียบเทียบกับคนทั่วไปเนี่ยไม่ได้ อัลลอฮ์จึงต้องบอกว่ลก็จะมัจบีฮีวะฮัมมับิฮาเธอปรารถนาในตัวนบีอูซุปในบีอูซุปก็มีความปรารถนาความรู้สึกลาลาอรฺรออบุรฮานะร บ, บีฮากหากท่านไม่ได้เห็นหลักฐานจากพระเจ้าของท่านแล้วคือจากอัลลอ์สุบานที่อัลล์ให้ประจักษ์เห็นนะจุดนี้ก็เป็นจุดที่สาคัญธรรมชาติความรู้สึกจะเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยเราจะไปกล่าวอ้างไม่ได้ฉันไม่มีความรู้สึกบางคน เขาเรียกอะไรนะฮะการสลามกันระหว่างผู quoi, t <t <ert funny> um ้ชายผู้ห yeah, ญ like ิงสมัย uh, ก่อนว่าเราจะเยอะใช่ไหมฮะโอแกเนี่ยคิดมากหรือเปล่าะรพาคิดมากวัยฉันไม่ได้คิดอะไรก็คือสามรัสามเออมันก็คือมันศาสนาไม่ได้บอกว่าคิดมากหรือไม่มากอะไรอย่างเดียวแต่ว่าการกระทํามันไม่ถูกแล้วแล้วจะเป็นไปไม่ได้ที่ความรู้สึกจะไม่มีใช่ไหมฮะมันเป็นปกติธรรมชาติที่ เกิดขึ้นในในคนนะฮะเราละอรออาบุรฮานอบีอกาซาลิกาลีนัสรีฟานอูฮุดังกล่าวนี้เช่นนี้แหละอัลลอฮ์คือผู้ที่ทําให้ในบิยูซุฟออกห่างจากความชั่ววัลฟะชะและสิ่งละมุกอนาจารอินนหูแท้จริงเขายูซุฟจะมินอีบาดินันมุคลาซีนเป็นบ่าวหนึ่งของเราที่มีความบริสุทธิ์ใจมุคลาซีน มุลบริสุทธิ์มุคลัสนี่คือถูกทำให้บริสุทธิ์แสดงว่าอันนี้ผมไปบรรยายของที่มหาวิทยายลายัยราชกระบังนะฮะเนี่ยเขาให้บรรยายความความอิคลาสปัจจัยสู่ความสำเร็จผมก็ยกอายะเนี่ยเป็นความจริงบางคนจะพูด อ, อ, อิคลาสนี่คือพูดบางทีเป็นเป็นป น, นำมาทำ เยอะแต่ก็ดีนะฮะไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ผมว่าหนังสือตําราที่จะพูดถึงอีคลาสในีุสุดคือกุตัตและคุตัต น, นำเสนอแบบไหนนําเสนอแบบตัวอย่างที่เห็นชัดเจนด้มีอีคลาสยังไงฮะอธิบายคําพูดเยอะเนี่ยบางทีอาจจะไม่เข้าใจผมก็ว่าอ๋อวิธีอธิบายอย่างหนึ่งคือคือการอธิบายหเห็นภาพดูนะด้มยุอีคลาสยังไงคลาสต่อบแล้วบริสุทิ์ใจต่อบแล้วแม้คนอื่นจะไม่เห็น เหนไหแต่อัลลอเห็น en, เออเวลาเห็นภาพตัวอย่างนี้แล้วเนี่ยเข้าใจละอีคลสัสความหมายคืออะไรแม้คนอื่นจะไม่เห็นพ่อท่านน บ, บีไม่เห็นพี่น้องไม่เห็นคนในชุมชนไม่เห็นคนที่บ้านก็ไม่เห็นไม่มีใครเห็นเลยแต่คําพูดแรกโกลัลมาอาดอัลลอฮ์แสดงว่าน บ, บียูซุปรู้ว่า a ลลอ h เห็นนี่คืออีคลัสที่แท้จริงและเรามาสรุปห้อินนุมินอิบะดินัลมุคลัซีน เป็นเบาวที่และอิคลาสเราไม่ได้บอกมุคลิสินแปลว่าคนที่มีอิคลัสมุคลาสินนี่คือคนที่ได้รับอิคลาสหมายถึงว่าอิคลาสเนี่ยอีกความหมายนะอิคลัสเนี่ยเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺประทานให้อย่ามาอวดอย่ามาโชกกันนึกออกไหมฮะอิคลาสเนี่ยมุคลาสินภาษาอับเนี่ยมีมุคลัสกับมุคลิสมุคลิคือผู้บริสุทธิ์ใจแต่มุคลัสหรือมุคลาสินะแปลว่าผู้ได้รับ หรือว่าได้รับอิคลาสแสดงว่าอัลลอฮ์บอกว่ามุคลาซีนมินิบาร์ดมุคลาซีนนบิยุสุปมีคลาสคือแน่นอนคือก็ต้องทําด้วยใช่ไหมแต่ว่าที่ได้รับสําเร็จเนื่องจากว่าอัลลอฮ์ประทานอิคลาสให้นี่ก็เป็นจุดสําคัญอิคลาสที่แท้จริงก็คือต้องตระหนักว่าความอิคลาสมาจากอัลลอฮ์ไม่ใช่ว่ามาจากเราเองอิคลาสที่แท้จริงคือการตระหนักว่าความอิคลาส Allah bin h u ب ร ر ทานให้อินนุมินอิบะดินะมุคลาซีนอิคลาซยังไจงจะได้เข้าใจถูกเหมือนกันบางคนอ๋อนเนี่ยฉันอิคลาสที่บอกว่าฉันไม่ได้มีอะไรในใจเลยที่บอกว่าสลามของผู้หญิงไปอยู่กำลำาลําลพัง ส, ง ส, งสองอต่ออฉันไม่มีไม่คิดอะไรเลยถ้าไม่คิดอะไรก็ต้องไม่ทาเพราะนาบีูซุฟะลิับ Allah บอกมินอิบาดินะมุคลาซีแล้วหลังจากนั้นนบีอูซุฟวัสตะบะกลบับวิ่งหนีความชั่ว ไม่ใช่บอกอิคลาสฉันอยู่กับความชั่วเพราะยังไงฉันก็อิคลาสลองนึกออกไหมครัหมายถึงว่าเรากำลัง ก, กำลังจะบอกว่าคืออิคลาสไม่ได้อยู่ในแค่หัวใจอย่างเดียวนะไม่ใช่บอกฉันอิคลาสฉันไม่ได้คิดอะไรความชั่วฉันทําใจได้แล้วปรองแล้วไม่คิดแล้วตันหาเหล่านี้ฉันไม่ได้คิดแล้วไม่ใช่คืออิคลาสในใจมันต้องส่งผลต่อพฤติกรรมภายนอกด้วยวัสตบกันบาปในวิสุทจึงวิ่งวิ่งหนีความผิดอุลมะเขาบอกว่าเนี่ย กิยุทธพี่น้องดูนะฮะในตัวภาษาเราเห็นไหมเนี่ยอเลฟตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอเลฟุนอิสเนนอเลฟที่ชี้ถึงสองหมายถึงว่าคำกยายุทธ์เดียวกันอิสตาบะกอแต่ใช้ประธานร่วมกันคือทั้งสองได้วิ่งหมายถึงว่าสองคนปฏิบัติเหมือนกันและมีเป้าหมายเดียวกันคืออัลบาวัตตะกอนแบบทั้งสองวิ่งไปที่ประตูคือประตูเนี่ยคือเป้าหมายของทั้งสอง เป้าหมายเดียวกันกิริยาการกระทาเดียวกันแต่จิตใจไม่เหมือนกันเห็นข้อต่างไหมฮะจุดนี้ก็เป็นบทเรียนสำคัญสาหรับเราเช่นกันเราทำอะไรบางอย่างคือบางทีอาจจะทำเหมือนกันดูเหมือนว่าเหมือนกันทำกิจกรรมเดียวกันเราไปทิศทางเดียวกันแต่ได้รับไม่เหมือนกันทำไมเนื่องจากความอิคลัส กิจกรรมเดียวกันเป้าหมายเดียวกันล้าทบออกมาบางทีคล้ายๆกันแต่ผลลัพธ์ไม่เหมือนกันเพราะอิคลา์สขอรับประทานขออิคลาสสักกับพวกเราวัสดุประกบท้งคู่เนไปวิ่งเหมือนกันกริยาเดียวกันไปที่ประตูเหมือนกันกริยาเดียวกันแต่ไม่เหมือนกันคนหนึ่งวิ่งหีความชั่วอีคนหนึ่งวิ่งตามความชั่ววิ่งเหมือนกันแต่วิ่งหีความช่วไปที่ประตูเหมือนกัน ปะตูตเหมือนกันแอีกคนหนึงวิ่งตามความชั่วแต่นั้นอีกจุดนี้ก็เป็นบทเรียน น, นะครับว่าความชั่วต้องวิ่งหนีเดินอย่างเดียวไม่ได้อันนี้คือในเชิงปฏิบัติจริงนะฮะแล้วก็ในเชิงนามาทำเช่นเดียวกันจงวิ่งหนีความชั่วมันก็นที่นบีอูซุฟานิซามวิ่งหนีอนนี้บอกกับเยาวชนวัยรุ่นเช่นกันคือถ้าเป็นความชั่วโดยเฉพาะความชั่วเนี่ยเกี่ยวกับหนุ่มสาวชายหญิงนะฮะเดินอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ ค่อยๆเดินบางทีเราเขาเรียกกลับอีกทีหนึง่ง ค, ค่อยจะเรียกเราไม่ได้ถ้าความชั่วแล้วต้องวิ่งหนีสุดจุดสําคัญนะฟ้าถ้าเป็นความผิดเป็นความชั่วแล้วนะฮะต้องวิ่งหนีต้องวิ่งหนีแบบเร็วนบิลซุปเตอร์คือใช้ความวิ่งวิ่งหนีเลยน ะ, ะแม้ว่าจะเป็นบริสุทธิ์ใจแล้วแม้ว่าจะไม่ได้คิดเขาเรียกอะไรนะฮะคือได้รับการปกป้องจากลอสซูบาร์แต่ว่าก็ต้องวิ่งหนีแวัตถุกพร่องมา แล้วเธอก็ได้ว่าก่อนมีซอฮูมินดูบูรินเธอจับเสื้อนบีอูซุปดึงจากข้างหลังนบีวิ่งหนีจับดึงเสื้อขาดว่าอัลไฟยาแล้วท่านในนั้นทั้งสองอัลไฟยาคือได้พบแปลว่าพบเจอทั้งสองเจ อ, อ, เจอพร้อมๆกันวิ่งแข่งกั น, นวัสตากบก็นะี่คือวิ่งแข่งวัสตาบอะไรนะว่อัลไฟยาคือวิ่งแข่งอันนี้ก็เป็นเป็นสัญลักษณ์เหมือนกัน ความเดียวความชั่วสุดท้ายความดีชนะแน่นอนถ้าวิ่งแข่งกันนะความดีเนี่ยคือชนะแน่นอนว่อัลไฟยาไซด์ฮาลาเดนบับแล้วทั้งสองก็ได้เจอเจ้านายของเธอก็คือสามีของเธอแลเดนบับที่ประตูทันทีและพี่น้องดูตรงนี้ในบทเรียนสําคัญมากก็ละเธอกล่าวทันทีนี่คือลักษณะของผู้หญิงที่ไม่ดีนะอันนี้คือผู้หญิงโดยทั่วไปเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนี้แต่มี ผู้หญิงบางประเภทที่เขาสามารถที่จะเปลี่ยนบทสนทนาอย่างรวดเร็วโดยเฉพอะผู้หญิงที่มีลักษณะดังกล่าวพอไปเจอเจ้านายเจอสามีของตัวเองแล้วนึกว่าจะตกใจเฉยๆใช่ไหมฮะคือคนที่ระดับที่วางแผนอยู่กำแพงกับน บ, บิลซุปล็อกประตูก่อและไฮแตลักเชิญชวนน บ, บิลซุปมาแสดงว่าคือเขาคิดตลอดแสดงอุบาย ใช่ไหมฮะชิตอออลอดกอลเธอก็กล่าวทันทีเปลี่ยนบททันทีอย่างรวดเร็วมาจซาอุมันอาราดะบอลิกะซูอันอิลลัยยุจนะอาอซาบุอาลีมอะอะไรคือบทลงโทษอะไรคือการตอบแทนของผู้ที่ปรารถนาไม่ดีกับครอบครัวของท่านปรารถนาไม่ดี นอกจากเขาจะต้องถูกจําคุกแล้วก็หรือถูกลงโทษจากรุนแรงพี่้องนึกภาพออกไหมอันนี้ เ, เป็นอะไรที่ที่ต้องระวังเป็นอย่างมากทั้งในมุมของผู้หญิงระวังหมายถึงว่าอย่าตกเป็นลักษณะดังกล่าวซึ่งผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่ได้ใช่แบบไม่ใช่แบบนี้แต่มีลักษณะอาจจะมีแบบนี้ผู้ชายเองก็ต้องระวังระวังคือผู้หญิงลักษณะนี้เช่นเดียว ก, กันเพราะบางทีคือเขาเปลี่ยนอะไรที่แบบเร็วมากไม่ทันเรื่องนี้ผู้ชายไม่ทัน เปลี่ยนบสนทาทันทีคือแทนที่ตัวเองจะเป็นฝ่ายผิดใช่ไหมฮะกลับกลายเป็นกล่าวหาในบิลทันทีจะตอบแทนยังไงคนคนคนปาถนาไม่ดีกับครอบครองท่านแบบนี้นอกจากจะถูกจับขังคุกหรือว่าถูกลงโทษอย่างรุนแรงเอาอาซาบุนอาลีมในบิลซูบอกไงฮะก็หละทันทีอันนี้ก็เป็นจุดสาคัญเช่นเดียวกัน ฮีแร์รอวัเดียนนับสี่อันนี้เป็นจุดในบิลซุปเนี่ยคนนิ่งคนที่เขาเรียกอะไรนะฮะเป็นในสถานะของคนที่ต่ํากว่าในขณะนั้นหมายถึงว่าทางเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่าสถานะความเป็นดบี้นี่คือสูงส่งอยู่แล้วหรือสถานะการที่เร า, าจะคัดเรื่องเนี่ยสูงส่งตอนนั้นน่าจะยังไม่ได้เป็นนับี้นะครับวอลล์ว่าแล้วแต่ขณะเดีวยวกันเนี่ยในบิลซุปอลิอฮสซลลมเนี่ยก็ทันที ทันทีคือการพูดตอบโต้กลับไปอย่างชัดเจนคือเวลาถึงตำแหน่งที่ต้องพูดความจริงเนี่ยต้องพูดทันทีนยอุลมะเขามีบอกน ะ, ะเวลาถึงตำแหน่งถ้าไม่พูดไม่ได้จําเป็นต้องพูดขนาดนั้นถ้าพูดหลังจากนั้นน้ําหนักจะไม่เท่ากับพูดขณะนั้นแม้ว่าในขณะนั้นเนี่ยคืออาจจะยังเขาเรียกว่าอะไรฮะบางคนคือไม่ไม่ได้เป็นคนพูดเดิมอยู่แล้วฮะ แต่เมื่อถึงจังหวะแล้วเนี่ยความกล้าต้องพูดออกมาอันนี้คือแฮกมาเนะี่ยลองนึกออกไหมครัไม่ใช่ว่าคือพูดตลอดอันนี้จุดนี้สําคัญมากนะฮะคือเวลาถึงตําแหน่งที่ต้องพูดแล้วไม่พูดมันก็ไม่ใช่ดันงนั้นนี่คือจังหวะที่จําเป็นต้องพูดเนี่ยต้องพูดขณะนั้นในวิวซูฟาริสก็ต้องพูดเพราะว่ามันจะเกิดความเข้าใจผิดอย่างอย่างรุนแรงนะฮะก็ลยเฮียรอวัดสั ญ, ญลับสิเธอตังหากทันทีเลยนะฮะ เธอพูดทันทีนบิซุปก็ตอบทันทีไม่ไม่ไม่งงหมายถึงว่าเราอาจจะเซอร์ไพรส์ว่ามันยังไงเนี่ยแล้วก็อาจจะยอมรหรือเปล่าหรืออาจจะไม่นบิซุปนิ่งด้วยการระเบิถืออ่อนล่ะฮิยรอวะและนีอันนับสีเธอตังหาเป็นฝ่ายยั่วยวนชันแล้วเราก็ให้อวชา ฮ, ฮีดชา ฮ, ฮิรุ ม, มินอาลิฮะอันนี้เป็นอายะสุดท้ายนะครับที่เราจะพูดคุยในวันแล้วก็มีพยานจากครอบครัวของเธอ นะฮะก็ะคือเด็กคนหนึ่งที่เป็นครอบครัวอันนี้ก็เป็นอี ก, อ, กอันหนึ่งที่สําคัญเขาเรียกว่าพยานแวดล้อมหรือที่ผมใช้คำว่าเดี๋ยวนี้เขามาใช้คือนิติวิทยาศาสตร์ใช่ไหมฮะทุกอย่างในโลกนี้เนี่ยมันไม่เคยโกหกยกเว้นมนุษย์ถูกไหมฮะทุกอย่างในโลกนี้เนี่ยทําไมอ่ะอย่างหมอพรทิพย์เวลาเขาไปตรวจอะไรต่างๆเขาไปตรวจอะไรฮะรอยนิ้วมือไม่เคยโกหกไหมฮะไอ้คนนี้ไปมีคราบเลือดมีรอยนิ้วมือ ปรากฏว่พอไปตรวจแล้วมันโกหกจริงๆเป็นรอยนิ้วมือของคนอื่นอันนี้ก็เคยเกิดขึ้นเรื่องนี้เนี่ยเยอะๆนะฮะการพิสูจน์ทางมันอาจจะไม่ได้ลึกซึ้งเหมือนกับในปัจจุบันนี้หมายถึงว่าในสมัยนั้นไม่ได้มีการตรวจแบบละเอียดเหมือนกับปัจจุบันนี้นะฮะแต่ว่าใช้หลักการเดียวกันคือแวนล้อมมันเป็นยังไงลองลอยเป็นยังไงเขาดูตํารวจนี้เขาจะดูแบบนี้วิถีกสุนท่านมีการคดีอาชญากรรมอะไรต่างๆวิธีกสุนมาทางไหน แล้วมันมาอย่างไรอะไรงไงเขาดูแวดล้อมบริบทเช่นเดียวกันสมัยก่อนเขาดูกันแบบนี้นะฮะเขาเรียกว่าพยานแวดล้อมเนี่ยไม่โกหกมนุษย์เนี่ยอาจจะโกหกได้ใช่ไหมฮะว่าชายดัชายฮิรุนมินอาลีฮะอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องหนึ่งที่สําคัญอย่างพี่ๆน บ, บิวซุปเนี่ยฮะเอาเสื้อน บ, บิวซุปมาเอาไปชุบกับอะไรฮะเลือดเลือดแก่ มันผิดสอง ผ, ผิดสังเกตสองอย่างหนึ่งก็คือเสื้อทําไมไม่ขาดถูกหมาป่ากินสองคือเลือดพ่อจะไม่รู้อะฮะพ่อเลี้ยงเคยเลี้ยงแกะมาก่อนน บ, บียะกุปอะลัยสุลแมจะไม่รู้เชียวหรือว่า น, นี่มันเป็นเลือดแกะไม่ใช่เลือดคนท่านก็ต้องรู้แน่นอนดังนั้นนี่คือหลักฐานสองคำแม้ว่าพี่พี่น บ, บีุูซุตจะมายืนยันว่าน บ, บีอูซุถูกแกะหมาป่ากินไปแล้วก็ตามแต่หลักฐานนี้มันหนักกว่ามีน้ําหนักมากกว่านั่นเองนะฮะ อันนี้ก็เป็นจุดสําคัญมากที่ได้รับจาก บ, บุริน่าชาัยและมีอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าเทคนิคนี้สําคัญมากนะฮะและมีในกุตตานะครคนส่วนให ญ, ญ่อาจจะไม่ทราบในเรื่องนี้เป็นจุดสําคัญมากผมไม่รู้ว่าพี่น้องจะจะเข้าใจยังไงนะฮะแต่นี้ผมได้รับเนี่ยในกุตตานมีหลามากกว่าจุดมากกว่าตําแหน่งเดียวนะฮะและเคยผมเคยได้รับจากอาจารย์บางท่านตอนที่เรียนอยู่มัธกกยคือท่านมีมีความรู้ตรงเนี้ย ความรู้ที่ลึกซึ้งมากนั่นคือการเจรจาการพูดการโต้เถียงการโต้เถียงกันนะฮะวิธีการเนี่ยผมสุดประการก่อนเดยมาดูตัวอย่างในคุระคืคอเราอยู่อีกฝ่ายหนึ่งเราอยู่ฝ่ายกับฝ่ายเอาฝ่ายหนึ่งไม่ต้องบอกว่าฝ่ายไหนดีไม่ดีนะฮะเราอยู่ฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยถ้าเราจะโต้เถียงกับเขาคนส่วนใหญ่ มักจะเอาเหตุผลของฝ่ายตัวเองเนี่ยเริ่มก่อนทั้งที่การเริ่มแบบนี้เนี่ยเริ่มแบบไม่ถูกต้องคือมันจะไม่สามารถมัดใจเขาได้แต่ที่ถูกต้องตามหลักการในการ เ, เขาเรียกว่านะฮะสนทนาหรือการการโต้เถียงแลกเปลี่ยนกเราต้องสมมติว่าเราเนี่ยเห็นใจเขาก่อ น, เ, น เ, เรียกเอาใจเขามาใส่ใจเราเราอยู่เป็นพวกกับคุณก่อนใช่ะฮะ แล้วก็โอเคเราจะมองตามคุณเสร็จปุ๊บตอนหลังเนี่ยเราก็จะลองมามองอีกฝั่งหนึ่งบ้างแบบนี้เนี่ยเวิร์กกว่าพี่น้องลองไปทำใช่เหรเป็นศาสตร์ที่แบบลึกซึ้งมากแล้วก็คือผมได้จากอันกุรอ่านนะฮะแล้วก็ได้จากหลายท่านนะฮะอาจารย์ผมที่เขาได้ใช้วิธีนี้เพื่อแล้วก็ทึ่งคือเขาไม่ได้บอกว่าเขาใช้วิธีนี้น ะ, ะแต่เราพอมาสัมผัสอ๋อคือมันจุดที่ทําให้เราเนี่ยยอมรับอะไรบางอย่างเนื่องจากเขาใช้สูตรนี้ นี่สคัญมากนะฮะแล้วเอาไปใช้ในการ <_ C os al> เขาเรียกว่า <_ C os al> การต่อรอง <_ C os al> การพูดคุยเนี่ยมันจะไม่เป็นเชิงว่าฉันฉันต้องการของฉันฉันตั้งทุนของฉันไว้แล้วและแบบนี้เนี่ยเวิร์กกว่าทดลองแล้วแบบนี้เนี่ยเวิร์กกว่าและเถียงนะถ้าจะชนะจริงนะใช้สูตรนี้คนส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้เอาของตัวเองก่อนล้เอาหลงานของตัวเองมาก่อนเสร็จปั๊บฝังหนึ่งก็ยกหองฐานของเข้ามา มันก็เลยบอกว่าต่างคนต่างไม่มองกันและกันอะเรามาดูเมื่อกี้ที่ผมบอกตัวหลักการไปแล้วนะฮะดูวาชัดาชาิดุนมินอหลิฮาพยานพยานตรงนี้เด็กเด็กคนหนึ่งอันนี้ก็เป็นอีกบทเรียนหนึ่งก็คือเด็กนไมโกหกจากครอบครัวของเธอบอกว่าอินแกนกอมีสูฮูพุตดามินก uh ูบุลหาเสื้อของยูซุปเนี่ยถูก ดึงขาดมินกูบุลจากข้างหน้าฝาซอดาคอสคือพยานคนนี้เนี่ยอยู่ข้างนาบียุซุฟหรือข้างซูไคอรครับข้างนาบียุซุฟแน่นอนแต่ดูว่าเขาเนี่ยเริ่มอยู่ฝั่งใครก่อนเมื่อกี้ที่ผมบอกหลกักการแล้วนะเริ่มอยู่ฝั่งใครก่อนเริ่มอยู่ฝั่งใครก่อนครับ ฝังสุเลย์คอก่อนไม่ได้ฝั่งนบียูซุปก่อนนะเพราะเขาอยู่ฝั่งนบียูซุปอยู่แล้วแต่ถ้าเขาบอกว่าเออมันจะดูเหมือนเข้าข้างยูซุปหรือเปล่าเพราะคุณจะอยู่ฝั่งยูซุปแล้วเขาเนี่ยอยู่ฝั่งนบียูซุปอยู่แล้วอยู่ฝั่งความจริงแต่เริ่มอะไรก่อนเริ่มทำไดว่าอินกานะัดอินกานาคอมินสุหุคุดดามินกูบุลหากว่าเสื้อเนี่ยถูกดึงขาดข้างหน้าฟาซอดาโกตแสดงว่าเธอเนี่ยพูดจริงนี่ฝังใครก่อน เริ่มไปฝั่งของเธอก่อนเห็นไฮะฟาซอดัตวะหัวมินัลกาซิบินแสนดงว่าเขาเนี่ยโกหกอยู่ในหมู่คู่โกหกวะอินก่นีก็มีซูฮูและหากเสื้อของเขาเนะี่ยคุดดมินดูบุรถูกดึงขาดจากข้างหลังอันนี้กลับมาฝั่งน บ, บิยูซุบใช่ไหมฮะฟากาซาบัตแสดงว่าเธอเนี่ยโกหกวะวมินซดกนแบบนี้เนี่ยสนทนาแบบนี้เนี่ยเวิร์กว่า แล้วไม่ใช่แค่กรณีนี้กรณีเดียวเดี๋ยวผมจะยกอีกกรณีหนึ่งให้อันนี้ผมจะพูดแค่นี้เดี๋ยวจะเอาบทเรียนอะไรบางอย่างที่จะออกมาอีกนะครับอีกกรณีหนึ่งอันนี้ก็น่าน่าเชื่อมากเรื่องราวของนบีมูซากับผู้ศรัทธาแห่งองค์วานฟิร์เอลอยู่ฝั่งนบีมูซาได้บ อ, อกไหมฮะ ตอนที่ฟาโร่เนี่ยสั่งให้ฆ่านาบีมูซาบอกว่าจงทังหารจารูนีอักตุนมูซาวลียาจูรับบะพอจะสั่งฆ่าอะไรใช่ไหมฮะมีคนวะก้อลรอยจุลมนมูมินุนมินอาลีฟิร์อาชายคนหนึ่งเป็นผู้ศรัทธาจากวงวานของฟิร์อัยักตุม้มอีมานอหูเคยปกปิดอีมานเอาไว้เนี่ยก็เลยพูดออกมาอันนี้จําเป็นต้องพูดแล้ว อาตาโกตูลูนะราจุลันไอยาคูละเราเบียลล์ท่านจะฆ่าคนหนึ่งที่กล่าวเพียงว่าพระเจ้าของฉันคือเราอย่างนั้นหรือทั้งที่หลักฐานชัดแจ้งเนี่ยจากพระเจ้าผู้เจ้ามาถึงแล้วนี่นี่คือคีย์เวิร์ดที่ผมต้องการจะนําเสนอนะฮะเขาก็เลยบอกต่อไปว่าเขาอยู่ข้างใครครับชายผู้สุธานนี้อยู่ข้างอ บ, บีมุสรและพี่น้องคิดว่าเขาจะเวลาจะให้เหตุผลเนี่ยจะให้เหตุผลกับฝั่งใดก่อน ถ้าจะให้เวิร์กให้หผลกับฝังใดก่อนกับฟิตรเอาก่อนดัง น, นั้นเนี่ยเขาทําไปคิดเอาโอเคฉันอยู่กับพวกคุณก่อนคิตเอาแต่จริงเขาอยู่กับนบีมูซาเป็นผู้ศรัทธาแม้ว่าเขาจะอยู่ในวงวานฟิรเนะแต่เขาเป็นผู้ศรัทธากับนบีมูซา่าวัยยะกุกาซีบันเขาเริ่มพูดบอกว่าหากว่าเขาโกหกหมายถึงนบีมูซาโกหกเนี่ยอ่ะทำไมเริ่มนบีมูซาก่อนก็จะได้เห็นว่าฉันเนี่ยไปอยู่กับท่านก่อนนะฟิตเอา อยู่กับท่านก่อนฟ่อะไรฮีกัซิ บ, บูบนมูซาก็ต้องรับผิดชอบความโกหกของของเขาไปว่าอียะกูซอดีกอยแต่ถ้าหากมูซาพูดจริงอันนี้กลับมาอยู่ข้างในมูซบบาบ้างแล้วเห็นไหมฮะยูซิบกุมบ้าอุดลัดียาอีดูกุมบางอย่างที่ในมูซบบาสัญญาเอาไว้เนี่ยก็จะประสบกับพวกท่านบทเรียนนี้สําคัญมากแล้วก็คือเอาไปใช้เนี่ยคืออิชอัลลอฮ์ตลฟิจกจกอัลลอฮ์เนี่ยคือสําเร็จในการในการสนทานาในการ ถ้าจะเป็นต้องโต้เถียงนะฮะแต่ไม่โต้เถียงก็ถ้าไม่อยากเป็นก็ไม่ต้องไม่ต้องโตเถียงอันนี้เป็นส่วนหนึ่งจากมูชาดาบิลติฮิอัสันโตเถียงด้วสิ่งที่ดีกว่าอโอเคอ่ะฉันพร้อมอยู่กับกับค่ะพร้อมยอมอ่ะยังไงจะคิดตามและแบบนี้มันทําให้เราเหนือกว่าหรอเป็นจุดที่สําคัญมากนะฮะส่วนใหญ่คือไม่ทราบเนื้อหาในส่วนนี้นะครับขอรอค่ะแล้วเดี๋ยวในชาลล์ในครั้งต่อไปเนี๋ยจะมาดู มีบทเรียนตรงไหนนะฮะอลัสทียรวอรสีนันซีวชยดชยัชัยดุมินอาริเอตอินกานกอมีสูฮอนนี้ก็เป็นเรื่องราวของนาบิอุสุฟเนี่ยอีกส่วนหนึ่งก็คือเสื้อเราจะเห็นนะฮะเสื้อนี่มีมีหลายครั้งมากในเรื่องราวเนี่ยเสื้อครั้งแรกนี่คือเสื้อนบิอุสุฟใช่ไหมฮะเสื้อครั้งที่2เนี่ยเสื้อนาบิอุสุฟเหมือนกันก็ถูกดึงแล้วก็มาเป็นพยานครั้งที่สามจะมีอีกเสื้อนบุสุฟที่ให้เสื้อนี้เนี่ยเอากลับ แล้วก็เป็นจุดที่ทําให้ท่านเนี่ยน บ, บิยาคุปเนี่ยตากลับมาเห็นตามปกตินะครับชอลล์เนี่ยแสดงว่าก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจทีเดียวและมีบทเรียนมากมายนะครับที่เราได้รับจากเรื่องราวของน บ, บิยูซุฟอะลัยอิสลามชอลล์ในครั้งต่อไปเราคงมาลงรายละเอียดต่อว่าเออหลังจากนั้นเนี่ยเป็นย่งไรและบทเรียนเนี่ยเยอะจริงๆนะฮะในสุรยูซุฟอะลัยอิสลามที่เราเ อ, อ่อจะนำมาใช้ในการดาเนินชีวิตของเรานะครับ อ, อ่ะมีใครต้องการจะ เพิ่มเติมถ้ถามนะกี่จะบอกผาการที่มองแบบีตัวเอนี้ันี้นีนะมันต่างจงที่คนเาดูหิงอยยถามก่อนว่าโมเฮงนี่คืออะไรฮะอ่ะไม่เข้าใจโงเหงเนี่ยผมผมไม่ทราบว่าตัวจริงๆแล้วมันคืออะไรนะหมายถึงถ้ามันเกี่ยวกับการมองที่การมองแบบ เชิงสายศาสตร์อันนี้เนี่ยไม่มีตามหลักการอิสลามแต่ถ้าโง่เห็นในมุมของการมองแบบว่าแววของคนนะฮะอันนี้มีในหลักการมันมีศาสตร์อย่างเช่นหวงห่วงจุย้ยห่วงจุ้ยใช่ไหมฮะหวงจุ้ยเนี่ยคือเซกศาสตร์ในการจัดบ้านจริงๆผมก็ไม่ไม่ทราบ ว, ว่ามันเกี่ยวกับสายศาสตร์หรือเปล่าแต่บางคนก็บอกจริงๆแล้วมันไม่ใช่สายศาสตร์หรอกมันคือการจัด ตามทิศทางของลมลมที่มันจะมีลมเหนือลมใต้ตามแสงแดดที่มันมาจากทางตะวันออกตะวันตก เ, เขาบ อ, อกบ้านเนี่ยห้องนอนอย่าไปอยู่ทางทิศตะวันตกทําไมฮะมันก็ร้อนมันก็ร้อนถ้าไปออกห้องนอนคุณคุณผิดแล้วทาไมสมมุติว่าบ้านนี้เนี่ยทะเลาะ ก, กัน ทำไมทะเลาะกันอารมณ์ขึ้นกันตลอดสมมตินะฮะอ๋อถ้าก็ามาบอกว่าคุณต้องเปลี่ยนห้องนอนห้องนี้เนี่ยไม่ดียา้ายมปอยู่ห้องนี้เออพอไปย้ายไปอยู่มันจริงทำไมอ่ะห้โง่หรือว่าอะไรท้อทิพยหวงจุ้ยหรือเปล่าจริงแล้วมันไม่ใช่หวงจุ้ยถ้าแบบนี้นะฮะก็คือเนื่องจากว่าห้องนอนเนี่ยมันร้อนคุณมากันอารมณ์เสียใส่กันน่ะนึกออกไหมฮะอ๋อพอ ย, ย้ายห้องเออทาไมมันดีขึ้นอ๋อไม่ร้อนเพราะห้องมันทางดิสที่ตะวันออก ดวงที่มันตกทางทิศไหนฮะทิศตะวันตกพอเสร็จแล้วเนี่ยอากาศโดยเฉพาะหรือบางคนก็บอกว่าอ๋อคุณต้องเปลี่ยนเปลี่ยนห้องเออทำนั่นทำนี่อะไรนะเออใส่เขาเรียกอะไรนะฝ้าหรือไม่ก็เอ่อกันแดดกันอะไรต่างๆนะคือความหมายของมันจริงๆก็คือคือทางศาสตร์อันนี้จริงๆมันมันมีศาสตร์การสร้างบ้านเลยนะฮะสร้างบ้านที่จะให้บ้านน่าอยูเย่เป็นอย่างไร ทางลมเข้ามันไม่มีลมเข้าอย่างเดียวนะฮะมีลมเข้าแล้วให้มีลมออกด้วยเขาก็จะมีสูตรในการวางบ้านอันนี้ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันมันตามธรรมชาติมันเป็นความรู้เป็นศาสตร์เกี่ยวกับลมเกี่ยวกับดวงอาทิตย์เกี่ยวกับแสงแดดเกี่ยวกับอะไรต่างๆซึ่งก็มันเป็นมันเป็นธรรมชาติที่สามารถนํามาปฏิบัติได้เป็นสิ่งที่ดีเป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์จะได้เป็นเชิงไสยศาสตร์เนี่ยคือแค่มาโนยเฉยอันนี้ไม่ใช่แน่นอนนะครับเช่นเดียวกันคือการมองคน คือมันมีศาสตร์อะไรบางอย่างที่กึ่งๆจะสยศาสตร์แต่มันไม่ใช่สายศาสตร์ไม่ใช่กึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นสายศาสตร์อย่างเช่นมันมีศาสตร์ในการสแกนนิ้วมือเขาจะรู้เลยว่าเอออันนี้ผมก็ยังไม่ได้ศึกษาโดยตรงว่ามันยังไงนะฮะแต่ว่ามีเหมนการสแก น, นิ้วมือคือเขารู้ว่า อ, อ๋อคุณเนี่ยถนัดอะไรแต่เขาบอกเป็นเชิ ง, ชงวิทยาศาสตร์เนี่เป็นเชิงสถิติ สถิติว่าคนส่วนใหญ่แนวแบบนี้เนี่ยมันจะมาแบบนี้หรือว่าหน้าตามองหน้าตาหรือพูดคุยมันมีเรื่องเล่าอันหนึ่งของคุณประภาษชนสาราญเขาเคยเขียนในหนังสือนะฮะมันเป็นเรื่องเล่านะแต่ว่ามันก็น่าเป็นบทเรียนได้เขาบอกว่าเขาพูดถึงช่างตัดเสือ้อมือทองอเขาใช้คำอีกคำหนึ่นะะ แต่เป็นช่างตัดเสื้อที่แบบว่ามีฝีมือเยี่ยมมากเขาบอกว่าช่างตัดเสื้อยังไงคือตัดแบบว่าตัดเนี่ยได้ทรงพอดีเป๊ะเลยแต่ว่าคุณต้องมาสั่งตัดคือมาพูดคุยเขาต้องถามเขาต้องพูดคุยเขาบอแปลกใจว่าทําไมเขาตั้งตัดตัดเสื้อเขามีกันเกลียวเขาบอกกันไกลมังกรหรืออะไรสักอย่างตันไก่ที่เอาบบตัดแล้วคมเออพอดีกับตัวมากปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอมาเฉลยสรุปเลยนะ เวลาเขาจะตัดให้กับใครเนะี่ยเขาจะดูดูคนที่เดินมาเนี่ยเขาเป็นคนแบบไหนแล้วเขาถามด้วยว่าอาชีพคุณเป็นยังไงเวลาลุกนั่งเออนั่งเป็นยังไงคือถามแบบบทสนทนาทั่วๆไปเนะี่ยแล้วมันก็เลยได้มาเป็นพอดีชุดสูทของเขาชุดเสื้อผ้าของเขาเนี่ยใส่พอดีเหมาะบางคนบอกว่าเดินแบบเอาเป็นทหารแบบว่าต้องเดินอกไผ่อะไรพึงหน่อยบางคนเดินอีกแบบนึงอะไรเงี้ยคือเขาจะพูดธรรมดาไป อยังไงเวลานั่นทำอะไรบ้างเก็บข้อมูลเหล่านี้มาเนี่ยมาตัดเป็นเสื้ออันนี้ก็เป็นศาสตร์ที่มันก็ไม่ได้ว่ามีความพิเศษอะไรหรอกเพียงแต่ว่าเขาดูบริบทในการใช้ชีวิตของแต่ละคนเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นความหมายของคาว่าโงเห้งเนี่ยถ้าโง่เห้งถ้ามันเป็นแบบว่าศาสตร์แบบเดามั่วๆเนี่ยมันไม่ถูกต้องอยู่แล้วแต่ถ้าคือดูอ๋อพูดคุยกันหรือ ภาษาบางอย่างเนี่ยมันสามารถจะสื่อได้อภาษาแบบนี้นคือคนคุณอาจจะเป็นคนคิดลบนิดนึงนะต้องปรับนิดนึงหรือภาษาค น, นอ๋นอแสดงว่าคุณกําลังเศร้าคุณกําลังอะไรหรือเปล่าคุยไป น, นิดอย่างอ๋อคุณกําลังมีปัญหาอะไรบางอย่างเนี่ยอันนี้คือเขาเรียกว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเป็นเชิงสายศาสตร์แต่มันเชิงจิตวิทยาคือความเข้าใจว่าคนนี้เนี่ยเขากําลังประสบอะไรอยู่นะครับรอ มีประเด็นอื่นไหมครับเชิญครับบังเชิญเขาได้ไปแชร์มีดอกแล้วเสร็จเราก็ไปทำขอถมว่นคือว่าทำสเร็จครับอืมทำสำเรตั้งหดเอาเงินที่ฮารอมไป อ่าไม่ไม่เป็นไรเราเราก็ไม่ไม่ไม่ต้องยุ่งกับของเขาเนี่ยว่าเขาจะเอาเงินไปใช้ไไหนถูกต้องไม่ถูกต้องนะถ้าในเชิงฮัต้องไปทำอีกครั้งหรือเปล่าก็ไม่จาเป็นต้องไปทำอีกแล้วนะแต่ว่าจะได้ผลลบุญอย่างไรฮัสมะ่วรู้หรือเปล่าเนี่ยวัดหลอหอลัมแต่ว่าเราก็คือแยกเป็นประเด็นนะว่าไอ้สิ่งที่เขาทำเนี่ยที่เป็นมีดอกเนี่ยคือไม่ถูกต้องทำให สิ่งที่ทำเนี่ยไม่ได้นะฮะแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่เขาทําไม่ได้แล้วแต่ตัวที่เขาทําความดีก็เป็นส่วนของความดีแล้ว ก, ก, ก็แยกกันใช่แยกแยกกันไปไหมายถึงว่าความดีก็คือความดีของเขาแต่ว่าสิ่งที่เขาต้องความผิดแล้วก็ให้เขาเปลี่ยนในสิ่งที่เป็นความผิดนะฮะแล้วก็เขาเรียก อ, อะไรมันก็อาจจะให้สมบูรณ์ร้อเนี่ยค่อนข้างจะยากแต่ว่าไอ้นี้เรื่องนี้ก็เรื่องสําคัญนะ ไม่ใช่ว่าเขาทําไม่ได้เรื่องทรัพย์สินที่มันจะฮาลา่นที่สุดในการที่จะเดินทางไปทาพัสตุอุมร้อนเนี่ยนี่จำเป็นมากที่เราต้องขวนขวายในสิ่งนี้นะฮะเราอาจจะตักเตือนเขาหรือว่าให้เขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงด้วยกับตัวเองเข้าใจด้วยกับตัวเองมันจะเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับแต่ต้องตักเตือนไม่ใช่คือให้เขาเข้าใจเองอินทราจากอุลลาะเองไม่ใช่คือตักเตือนแต่ว่าให้เขายอมรับใช้คํานีด้ด้วยกับตัวเองนะครับ อ, รอุลลาะมีคําทำอื่นไหมฮะ ใช่ครับบ๊ะาถ้ามียืมสินก็ใช้นี่สินก่อนอ๋อ ไ, ไ, ได้ได้ถ้าฟีเนี่ยได้ไม่เป็นไรชเหแต่เราก็บอกคนบอกกับเจ้าของนี่สินก่อนอะไรเงี้ยฮะว่าฉันจะไปทำฮัตไปอย่างงี้อะไรอย่างงี้นะ แล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจะเบี้ยวนี่แต่อย่างใด อ, อ่างเงี้ยก็ินชอเราไม่มีปัญหาครับอะไรฮะยังไงนะครับถ้าเราถ้าเราตกลงกับเขาียได้บางทีมันก็มันเป็นระยะยาวจะให้ปลดทั้งหมดก็ไม่ได้อะไรเงี้ยัก็ไปได้อินชอลเห บ, บางทีมันมันต้องจ่าย ม, มู้ว่าซื้อบ้านมาแล้วก็หรือผ่อนรถอย่างเงี้ยฮะมันยังไม่หมดแต่มันจะผ่อนทีเดียวมันก็ไม่ได้ถ้าเรามั่นใจว่าเราสามารถจะใช้หนี้ได้ไม่กระทบอะไรเงี้ยนะฮะก็สามารถไปได้อัลลอฮฺ ต้องใจใจส ก, กัดก่อนถ้าถึงรอบปีนะแต่ปกติแล้วเนี่ยมันจะไม่ถึงขนาดที่เป็นเหตุให้ไม่สามารถไปทำฮัชได้สมมุติว่าฮัชเนี่ยเราสกาัดจะวายยิบเท่าไหร่ฮะประมาณแสนสามสมมติเรามีสองแสนหรือมีแสนห้าพอใจสกัดไปแล้วเนี่ยเออท่าไหร่ถ้าแสนหนึ่งเนี่ย 2,500 ถ้า 2,000 ห้าพันเรามีสองแสนหรือมีแสนห้าอย่างเงี้ยฮะเราก็ต้องจจ่ายไปสักประมาณห0 0 0เจพันสมมติว่าเจ0 0ันจากแส0ห้าเนี่ยมันก็มันไม่เท่าไหร่มันก็เหลือแสนสี่กว่ากว่ามันก็ยังไม่กระทบเท่าไหร่นะฮะส่วนใหญ่แล้วจะไม่ไม่กระทบมากนักนะ อ๋อไม่ได้ไม่ได้ต้องต้องจ่ยายสกัดด้วยสากาัดด้วยฮะสกัดก็ต้องจ่ายแล้วก็ช็อตแล้วามีเพิ่มพูนมาเดือนนี้ก็ฮัทอะไรก็ง่ายขึ้นเยอะนะฮะการใช้จ่ายก็แบบถูกราคามันสูงขึ้นเรื่อยๆก็จริงแต่ค่าของชีพของเราเราก็ได้ได้ได้มามันก็มากขึ้นแล้วมันก็ช่องทางแต่ผมจะบอกพี่น้องอีกอย่างหนึ่งถ้ามีคําถามมือก็ได้นะฮะว่ า, าจริงๆแล้วในยุคท้ายๆเนี่ยยุคท้ายๆนะสัญญาเงินเกลียง ม, มานะ เงินไม่ได้น้อยลงนะฮะเงินเนี่ยเพิ่มขึ้นตลอดเป็นสัญญาณของวันเกล้ามาอิสติฟาต่อตุลมานทรัพยี่ก็เพิ่มตลอดเราควรจะเขา้เข า, เขาใจใ น, ในจุดตรงนี้อย่างดีว่าเงินคือไม่ใช่ว่าเงินไม่ได้เป็นของหายากทุกคน บ, บอกว่าเงินเป็นของหายากจริงๆแล้วไม่ใช่เงินเนี่ยเป็นของหาง่ายถ้าเราบอกยากมันก็จะยาก่จริงๆแล้วเงินมันหาง่าย ผมมีหลักฐานหลักฐานว่าอะไรหลักฐานว่าเงินเนี่ยเขาผลิตตลอดเงินเขาผลิตตลอดแล้วไม่มีเก็บคืนน้อยมากที่เก็บคืนทุกประเทศทัว่วโลกเขามีแต่ผลิตเงินออกมาตลอดใช่ไม่มเน้ในเงินนี่คือเงินไม่ได้หาหายากถ้าหายากเขาบอกว่าอย่างเช่นพวกสัต เสือดำมาเลยเนี่ยที่น้องสาวอันนี้อันนี้สัสันา ย, ยากใช่ ใช่ครัใช่ครัใช่ฮะก็เงินเฟ้อมันตลอดและอเมริกาบิตคอยเลยะเดียวเริ่มมามันใช่แต่มันมันก็ยังไม่ไม่ชัวร์มันก็มีการขัดแย้งกันว่ามันเป็นของจริงของเท็ตอะไรยางไงนะฮะว่ารอวขารือเล่าใช่ เงินเนี่ยเยอะหนึ่งอเมริกาตั้งแต่สมัยนู้นประธานนันดีนิกสันนะเขาผลิตมามัน ห, หลายปีมาแล้วนะฮะแต่ผลิตแบบไม่ต้องใช้ทองคําเป็นคําประกันแต่ใช้ความเป็นมห า, หาอำนาจแล้วก็แต่ละคนแต่ละประเทศต้องซื้อพันธบัตรของเขาจีนเนี่ยถ้าอเมริกาล้มจะจีนอันดับแรกที่จะล้มตามเพราะเราไปซื้อพันธบัตรของอเมริกาไว้เยอะมา ก, <อ>มาก น, นั่นนี่ก็คือเงินอเมรกาเขาเขาเขาา เ, เป็นนี่เยอะนะฮะเป็นแบบว่าล้านล้านใช่ เป น, นี้หลายประเทศแล้ยฮะเขาก็เลยต้องหาเงินคือเราเวลาดูคนเยมันไม่ใช่ว่าดูคนว่าคนนี้รวยทํำไมรวยหูดูขับรถเนี่ยหดูบ้านเขาเนี่ยดูเออเขาใช้จ่ายดิมันไม่ใช่แบบนั้นแต่เวลาดูคนรวยเรารู้ว่าไรายได้กับรายจ่ายเขาเนี่ยยังไงหากลบกบนี้แล้วเนี่ยอะไรเหลือมากกว่าคนส่วนใหญ่จะไปดูแค่ภาพภายนอกบางคนก็ใช้เ อ, อ เปลี่ยนโทรศัพท์ทุกปีอะไรเงี้ยฮะมันไม่ได้หมายถึงว่าเขารวยเขาอาจจะไปเป็นหนี้ก็ได้เราไม่รู้ไงเขาใช้เงินแบบเยอะอันนี้จริงแต่มันไม่ได้บอกว่าคนรวยเสมอไปถูกไหมฮะ อ, นนอเมริกาเนี่ยจนกว่าหลายประเทศเพราะอะไรเพราะเป็นหนี้เยอะอะเป็นหนี้แต่เขาเป็นมหาอำนาจแล้วเขาใช้สูตรยัยงไงเขาเป็นหนี้ก็ผลิตเงินเลผลิตเงินใช้หนี้ดังนั้นเนี่ยคือเงินมันเยอะตลอดแล้วก็มันจะเฟอ้อตลอดด้วยเหมือนกันเขาบอกว่ามีผมอ่านบทความนะฮะเขาบอกว่ามีสองอย่างที่ไม่มีทางลด เงินเฟอ้อกับค่าครองชีพมันขึ้นตลอดใช่ใช่ไมมันก็คือความหมายเดีวยวกันเงินเฟอ้อนี่คือเงินมันจะมีค่าน้อยตลอดน้อยลงน้อยลงน้อยลงสมัยนี้นี่คือซื้อดังนั้นในเงินไม่ได้หายากเมื่อกี้ที่บอกว่าถ้าหายยากเป็นพวกสัตว์เ อ, อจะสูญพันธ์อะไรเงี้ยอันนี้หายากจริงแต่เงินเดียเ๋ยวนี้โดยเฉพาะยุคนี้นะฮะเงินเนี่ยหาง่ายแต่ประเด็นคือหายอย่างไรให้ถูกต้องตัางหากแล้วก็ใช้ให้ถูกต้องต่างหากนะครับ ใช่ใช <mm um> ่องมด้ใ uh> ช่หนกาตด้เอแล้วาบนีต้องใช้ดอลลาร์ออกประเทศเราก็เนเนตาไปแล้วของไแล้วรก็ต้องใช้เงินดอลลาร์องเนดอลลาร์ใช่ใช่ใช่ในี่ยแหละนี่ยหละสำคัญมากใช่ผมรูที่ซาอุดีเองโอ้ลหละกาเงินดอลลาร์เปยแบบว่ามันเหมือนกับว่า มันไม่เป็นความจริงเป็นอันขาดนอะ่ะคุณจะมาแลกบอกจำตัวเลขไม่เมือนนะแต่มันมันต่างกันแบบว่าเยอะมากอ่อืะครับก็บโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่มาพบปะในวันนี้นะครับก็ได้แลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆโดยเฉพาะศาสตร์ที่มาจากอันอุษุอ่านนะฮะแล้วก็ใช้ในการมุ่งชีวิตได้อย่างแน่นอนอูลกกาวลีฮะซาวะอัลลอฮ์นะอื่นมันลุม صلى الله على نبينا محمد وعلى آل ه وصحبه ลลิฮ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته